กับสมณสการ์ณสมณพ่อครูสมนพ่อทิรักษ์นะครับสมณสการณ์สมณทุกทุกที่อยู่ที่นี่ศิกำมานะครับจเจริญธรรมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่ส่วนลุมแห่งนี้นะครับและท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านฟังที่กําลังรับชมและฟังทาง FMTV นะครับทีวีเพื่อมนุษยชาตินะครับวันนี้มาพบกับรายการเรียนอิสระตามสํานึกอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในการจัด อนอกสถานที่วันนี้ในช่วงของช่วงเข้าพรรษาด้วยครับพระพครับวันนี้เรามาจัดกันที่สวนลุมนะครับแต่รายการเราก็คงจะต้องเป็นประเด็นทางธรรมะที่เกี่ยวเนื่อง นะครับว่าทําไมเรามาใช้สถานที่ตรงนี้ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงนั้นเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่สวนลุมพินีหรือท่านผู้ชมที่อาจที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะคงยังไม่รู้จักรายการเรียนอิสระตามสํานึกนะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการประจำนะครับของทาง FMTV อ็มทนะครับจะมีการจัดรายการเป็นประจําเวลาประมาณ18นาฬกาหลังขบรถงชาตินะครับ ทุกวันจันทร์พุทธสุขนะครับโดยจะมีพ่อภูสมณพโททิลักษ์นั้นเป็นวิทยากรผู้ให้วิทยาทานทางธรรมในการตอบปัญหาประเด็นทางธรรมนะครับแล้วก็อถาธาิบายธรรมในประเด็นต่างๆโดยจะมีผู้ดําเนินรายการนะครับโดยผมกิษณาให้พัฒนาลนูนะครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการประจําวันจันนะครับและในส่วนวันพุธหรือวันศุกร์นั้นก็จะมีสมณะนะครับที่ได้มาพูด สักถามประเด็นธรรมต่างๆกับพ่อครูครับพ่อครูครับวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับผมจะได้มาจาัดรายการกับพระครูที่นี่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้สกาย ก, กันบ้างอะไรกันบ้างนะครับก็ประเด็นที่สําคัญวันนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าถอดรหัสธรรมครับถอดรหัธรรมการชุมนุมเพื่อการปฏิบัติธรรมบอกก็เหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็ต้องมาที่นี่ ผมมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมก่อนจะรู้จักกองทัพธรรมนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะทำไมกองทัพธรรมนั้นนะครับต้องออกมาชุมนุมร่วมนะครับกับพี่น้องกับประชาชนนะครับแล้วทาไมกองทัพธรรมทําในสิ่งที่เรียกว่าเป็นชุมชนที่มีวินัยนะครับทําหลายสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มาอยู่ที่นี่ก็จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอะไรแล้วผู้คนเหล่านั้นเข้ามากันได้อย่างไรมีลูกเล็กเด็กแดงเป็นอย่างไรนะครับ จนได้เรียนรู้มามากพอสมควรนะครับว่าอ๋อทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมาปฏิบัติธรรมตามสิ่งที่พ่อครูได้นำพานำมาสอนนะครับตรงนี้แหละครับฉงคิดว่าหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าถึงหรือเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ถึง หรือเข้าถึงแล้วยังพัฒนาต่อไปยังไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องกราบนรัส ก, การ์พ่อครูช่วยอธิบายถอดรหัสธรรมหน่อยครับว่าการชุมนุมด้วยความเป็นธรรมที่เป็นธรรมะนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหา พ, พ่อครูนั้นมาทําที่นี่นั้นทําอย่างไรครับ พ, รพ่อครูครับาการชุมนุมที่พูดถึงทัพประเด็นที่ถามนี้เน้นไปทางธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านชัดเจนที่สุดเลยธรรมะของท่านเนี่ยนะในสุริยปยานสูตรสุริยปยานสูตรเนี่ยหมายถึงแสงอรุณแสงอรุณแสงเงินแสงทองที่จะมาก่อนพระอาทิตย์จะโผล่ ก่อนใครจะเห็นพระอาทิตก็จะต้องเห็นแสงเงินแสงทองมาก่อนครับนชั้นใดธรรมะเจ็ดอย่างของพระพุทธเจ้านีจะต้องเข้าใจก่อนและต้องเป็นได้ก่อนเข้าถึงก่อนท่านใช้คำว่าสัมปทาเลยสัมปทาแปลว่าการเข้าถึงการบรรลุ การบรรลุนลั่นแหละบรรลุธรรมเลยเข้าถึงต้องเป็นอ น, นั้นอันนั้นได้ก่อนเลยเจดอย่างเนี่ยข้อแรกเลยคําว่ากัลยาณมิตรโตไม่มีคําว่าสมบทาเราแต่ว่ามันเป็นเลยต้องเป็นกลุ่มของกัลยาณมิตรครับมิตรดี D ที่จริงยาวเต็มรูปก็คือคําว่ากัลยาณมิตรโตกัลยาสหายโยกัลยาณสัมปวังโก สามคำหมายความว่ากัลยาณ์หน้าคำนัยคำว่าดีนี่แหละ ก, นนดดกัลยาณมิตรตักับมิตรดีกัลยาณสหายโยก็คือสหายดีผู้ร่วมประโยชน์ครับ <c oughs> มิตรนี่คือผูกพันทางใจกันเป็นผู้ที่สัมพันธ์กันทางใจกันอย่างสนิทเชื่อถือเคารพนับถือรักใคร่กันมิตรน่ ะ, อ, ะอีสานก็ต้องเรียกกันจัดๆเลยว่าเสี้ยวเสี <c oughs> <ๆ>้ยวเสี้ยกัน ถ้าอีสานเราใช้คำว่าเซียวคาว่าเซียวเนี่เป็นมิตรสนิทเลยมิตรกอดคอตายกันเลยเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันจริจงจจังมิตรดีสหายคือผู้ร่วมประโยชน์สหายะสหายะผู้ร่วมประโยชน์สำกลยาณนะสมปร ะ, ะวังโกแปลว่ารวมรวมรวมทั้งหมดรวมองค์รวมของ ส่วนประกอบทั้งหลายค ร, รวมเงินเข้าอย่างที่เป็นสัดส่วนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีรวมกันอยู่ได้เป็นสัมปวังโคอาตมาก็เลยแปลว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีครับแต่ทางด้านานักรู้ผู้รู้ท่านแปลอยู่ในพระเต้าปิฎกก็ดีแท้งแต่ว่ามิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีถ้าแปลสัมปวังโกทนันก็แปลว่าเพื่อนดีครับอาตมาก็งงๆเหมือนกันว่ามิตรกับเพื่อนมันต่างกันอย่างไรเนาะ มันก็มันมันมันขี้กันขี้ออกไม่ไม่ได้ขี้เยอขี้คลายไม่ออกจับกัน น, อนะอาจารมาก็เลยแปลเอาเนื้อหาเลยอาจจะไม่ตรงกับท่านเท่าไหร่ก็อ่าก็ไม่ได้อวดดีอะไรหรอกแต่คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ชัดกว่าครับทีนี้ความเป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละเป็นตัวชี้บ่งถึงความเป็นสุริยปริยานความชี้บ่งถึงความเป็นแสงอรุณทิพโรมคอน พระอาทิตย์ขึ้นก่อนจะเห็นพระอาทิตย์เราจะเห็นแสงอรุณก่อนนี่หมายความว่าพระอาทิตย์นั่นคือมรกองแปดครับผู้จะถึงมรกองแปดจะปฏิบัติมรกองแปดได้ต้องมีแสงอรุณต้องมีสิ่งนี้ก่อนเจดข้อนี่แหละก่อนข้อแรกที่อาจารมานำมาเสนอแล้วคือมิตรมิตรีคุณถามว่าครับมารวมกันมาชุมนุมกันนี้ ทำยังไงเนี่ยมันเป็ดๆยังไงมันเป็นเรื่องหลักเลยครับมันต้องเกิดก่อนอื่นเลยครับมันจะเป็นกลุ่มของธรรมะได้มันต้องมีกลุ่มมนุษย์และกลุ่มมนุษย์เหล่านั้นจะต้องมีศีลสามัญญตาเมทิฐิสามัญญาต า, ม า, มญญ า, ตาหมายความว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติการปฏิบัติมีระเบียบภินในครับไปทางเดียวกันเสมอสมานกันเรว่าศีลสามัญญาตาแล้วต้องมีความเข้าใจ มีความรู้ความเห็นความเป็นปัญญาความเชื่อถือสามัญญาตาเหมือนกันทิฏฐิสามัญญาตาครับมีความเชื่อความเข้าใจมีจุดหมายปลายทางชัดเจนตรงกันด้วยอืมและมารวมตัวกันมันจะมารวมโดยสัจจาที่มันเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าไปเกณฑ์เอาใครมารวมกันได้หรือว่าเอาอะไรไปลอไปลอไปหลอกกันมาไม่ไม่ใช่ครับไม่มีลอกไม่มลอกต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างปัญญาเขาแต่ละคนตัดสินเองครับ เห็นได้ไดรู้เองแล้วก็เต็มใจมารวมตัวกันเองเป็นหมู่เป็นกลุ่มก่อนแลาะกลุ่มหมู่ของพวกเราที่มารวมตัวกันมาทางานเนี่ยจเป็นกลุ่มหมู่ของสิ่งที่เกิดตามตามธรรมตามธรรมะรตามธรรมะที่ได้ประพฤติได้บาเพ็ญได้ปฏิบัติแล้วและมันก็เกิดผลอย่างที่อาตมากล่าวอธิบายไปบ้างแล้วนั้นจริง มันจะเกิดการมารวมตัวกันเป็นมวลหมูร่รวมกันเป็นมวลหมู่แล้วก็มาชุมนุมกันมาประชุมกันอยู่รวมตัวกันอยู่ทีนี้เมื่อรวมตัวกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วเราจะไปทำงานอะไรเราก็ไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มหมูม่กลุ่มแล้วก็บอกกันคุยกันปรึกษากันว่าอ้าวเห็นด้วยเอาด้วยเราก็มากันมันจึงเป็นหมู่กลุม่มชุมนุมที่เข้ามาร่วมกัน ที่นี้เมื่อมาร่วมกันทําแล้วเราก็มีเป้าหมายเราก็มีระบบระเบียบเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรโดยไรไรเป้าหมายไร้ความเข้าใจทําอะไรเล่เล่เๆ่ เ, เทไปสเปสสะปะไม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันไม่ใช่ครับเราทําเราจะต้องเข้าใจว่าเราทําอะไรเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นคนไรความรู้ไรความคิดไรปัญญาท่านสอนให้เราเป็นผู้มีความรู้ความคิดมีปัญญาในการที่จะ เกิดให้เกิดปัญญาสร้างปัญญานะให้เกิดในใจิตใจของเราจริงๆเลยครับเพราะเมื่อใจเรามีภูมิมีปัญญานั้นภูมิปัญญานั้นก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราไปโดยจริงเลยมันมีจริงมันก็ขับเคลื่อนจริงมันก็ไปพาไปอย่างแท้จริงเราจรึงมีหมู่กลุ่มที่เกิดจากผลผลิตตามทางพระพุทธเจ้าที่พาพารมหรือสอนให้เราทํา แล้วเราก็ทำจนกระทั่งเราได้อย่างนั้นขึ้นมาจึงเกินเป็นกลุ่มหมู่ที่ทำอย่างนี้เพื่อราทำได้เป็นผลเช่นนี้แล้วเกิดเหตุการณ์ของสังคมเราก็มาร่วมทำกับสังคมตามควรครับซึ่งอาตมาว่าเคยอธิบายจําแล้วย้าอีกว่าทาไมชาวโสกเป็นนักธรรมะถึงออกมาชุมนุมมาชุมนุมประท้วงเรื่องการเมืองเข้ามายุ่งกับเขาทาไมครับอาตมาก็แปลคาว่าทำไมของคุณให้ฟังว่า ถามว่าทำไมอาตมาก็ตอบว่าทำตามควรทำตามเห็นสมควรครับทำเพราะว่าเห็นว่ามันควรทำาอ้นี่ก็คือคำตอ บ, บถามว่าทาไมก็ทำตามควรทำตามเห็นสมควรแล้วก็ทำเพราะเห็นควรว่ามันควรทำรเราก็มาทำถามต่อไปอีกว่าทำไมถึงเห็นว่าควรทำ ครับเห็นว่าควรทําก็เพราะว่าเราก็ใช้ปัญญาของเราอีกแหละปัญญาของเราเป็นตัวที่จะใช้พิจารณาแลว้วก็ตัดสินว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรปัญญาเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้จริงครับเพราะทุกคนมีความฉลาดเท่าที่ตนเองโง่อทนนะืทุกคนน่ะทุกคนโง่เท่าที่ตนเองฉลาดไม่มีใครเกินกว่านั้นหรอกครับอทุกคนก็ฉลาดเท่าที่ตนเองโง่ ทุกคนก็โง่าเจอตัวเองฉลาดเมื่อเราไตรตรองวินิจฉัยแล้วว่าควรทำเราจึงพากระดออกมาทำทีนี้ก็ขายความต่อไปอีกว่ามีความเห็นอย่างไรถึงตัดสินว่าควรทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุปัจจัยใช้หลักมหาประเทศแม้ว่าสิ่งนี้นี่นาที่เราจะทำนี่หนึ่ง พระรุจเจ้าห้ามไว้ไม่ว่าไม่ให้ทําำไม่มีไม่มีคําห้ามไม่มีครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไหมเออมันมีสองในครับในยาที่หนึ่งก็คือนักธรรมะเนี่ยพระเจ้าท่านห้ามไหมว่าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองอืะคําว่าการเมืองสมัยนองก็ยังไม่พูดกันหรอกสมัยพระพุทธเจ้านี่แต่ก็มีงานการเมืองเข้าใจโดยปริยายครับพระพุทธเจ้าทํางานการเมืองไหมทําครับ ส่านพาไปเรื่องของสังคมเรื่องของอองอะไรอะไรต่างๆนานาท่านพาไปห้ามทับห้ามกับพวกสังคมพวกเหตุการณ์ที่จะแย่งกันทางอํานาจทางอะไรถ้านก็ไปทําครั บ, รบซึ่งนั่นคือผู้มีปัญญาเขาต้องเลือกเอาเองว่าคําว่าสถาบันการเมืองมันยังไม่มีครับแต่เป็นพฤติกรรมที่มันใช่ไหมล่ะใช่เป็นเรื่องการทำประสังคมอส่วนนอกเขาเนี่ยไปเกื้อกูลเขาไปช่วยเหลือเขาเนี่ยใช่ไหมมันใช่ เพราะระบบการปกครองมันมีมาช้านานแน่นอนเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราก็มาตรวจสอบดูว่าพระเจ้าห้ามไหมไม่ห้ามพระเจ้าอนุญาตไหมไม่ได้อนุญาตครัเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูตามความจริงว่าแล้วสิ่งนี้มันควรหรือไม่ควรสิ่งนี้ถ้าไม่ควรแต่ถ้ามันเข้ากับสิ่งไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรมันก็ไม่ควรทําครับ แต่ถ้าเพราะว่ามันไม่ควรแต่สิ่งนั้นมันเข้ากับสิ่งที่ควรมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเราก็เออก็ควรอยู่ก็ควรทำอ่ะถ้าเาะว่ามันไม่ควรขัดกับสิ่งที่มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแต่มันขัดกับสิ่งที่ควรมันไม่ควรสิ่งนี้ไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรอีกขัดกับสิ่งที่ควรอีก ครับอ้าวเราก็ไม่ไม่ควรแล้วเ้าไม่ทําครับแต่ถ้ามันเออสิ่งนี้เนี่ยไม่ควรนะดูเหมือนเหมือนก็ไม่ควรไม่จะคนเข้าใจว่าทํำไมอสูบมาทําไม่ควรนะครับเออไม่ควรนะแต่เราพิจารณาว่าไอ้สิ่งนี้มันควรนะอืมครับมันควรมาช่วยประชาชนนะครับขอไขคําว่าควรก่อนครับมันควรอย่างไรควรต้องการมวลมาช่วยไหม ออมาชุมนุมเนี่ยควรควรออกมาชุมนุมร่วมกันมากขึ้นไหมมันควรใช่ไหมเพระเาะยั้นเราเห็นเราพิจารณ า, าซ่อนเอาไว้แล้วและหมู่กลุ่มที่กําลังชุมนุมประท้วงกันอยู่เนี่ยเขาชุมนุมประท้วงอะไรอย่างไรแค่ไหนเราดูเนื้อดูเหตุผลดูอะไรแล้วมันดีนี่มันเป็นไปเพื่อมวลมนุษย์ชามันเป็นไปเพื่อการแก้ไขสังคมให้มันดีขึ้นที่นะครับไอสิ่งที่มันไม่ดีเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาจะมาช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีมัน ช่วยกันประท้วงสิ่งที่ไม่ดีกันเอ้ยมันก็ควรนี่อ่ามันก็ควรแล้วมันก็ดูแล้วว่าแล้วมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรหรือมันอ่าสมสมควรกับสิ่งที่ไม่ควรมันไม่สมควรกับสิ่งไม่ควรแล้วมันขัดกับสิ่งที่อ่ามันมันมันอ่แม่เดี๋ยวจะพูดสับกันไปสับกมามันไม่ได้ขัดกับสิ่งมันขัดกับสิ่งไม่ไม่ไม่ไม่ได้ขัดกับสิ่งไม่ควร มันก็ดูว่าโดยสาระเขามันมันควรนะมันไม่ได้ขัดกับสิ่งไม่ควรเลยอ่ะครับเพราะเรามาทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนครับไม่ได้ทำเพื่อใครใครเพื่อครอบครัวเพื่อหมู่กลุ่มเพื่อพรรคพวกไม่เราเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อคนส่วนมากเพื่อปวงประชาชนเมื่อพิจารณา ละเอีดกว่นี้ก็ได้แต่ว่าพูดแค่นี้ก็คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พอจะใช้พิจารณาได้แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ห้ามแม้ท่านจะไม่อนุญาตแต่มันก็ควรสรุป ง, ง่ายๆมันควรมันเหนือกว่าไม่ควระ่ะอืเราจึงมาครับนี่ที่เรามาทําด้วยประการชนิดนี้อธิบายตรงควรซะก่อนอาที น, นี้เมื่อมาควรแล้วเราก็ยกทัพโยธาของกลุ่มของเราออกมาครับ เมื่อกลุ่มของเราออกมามันก็เป็นมวลความจริงของตัวบุคคลที่เป็นชาวโศกที่ได้ปฏิบัติธรรมได้มากได้ผลได้นิสัยใจคอได้พฤติกรรมทางกายวาจาใจแล้วแล้วก็นำเอาสิ่งที่มีที่เป็นจริงอันนี้ขอเราออกมามาทำ สิ่งที่ทำนี้แหละจึงเป็นเรื่องจริงของความเป็นจริงของชาวโศกไม่ได้เสแสร้งไม่ได้มามีอะไรซับซ้อนเล่เหลี่ยนอยู่เบื้องหลังไม่มีเลยมีความจริงด้วยประกาชนีและเราก็แสดงต่อสังคมมาแล้วหลายครั้งหลายคราครมาจนถึงวันนี้ก็ให้ผู้รู้รือประชาชนแต่ละคนท่าน ใช้วิจารย์ญาณตัดสินเอาเองว่ารเรามาทําสิ่งนี้นี่เราหวังร้ายต่อสังคมหรือเราหวังดีต่อสังคมคซึ่งเรามั่นใจว่าเรามาในความหวังดีต่อสังคมร้อยเปอร์เซ็พันซมือร์ล้านเร์เซเมื่อสักครู่พระครูใช้คําว่าเรื่องจริงที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเมื่อก่อนจัดรายการผมก็ไปเดินดูที่ที่ลงครัวลงอาหาระนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสภาพความเป็นอยู่ที่ผมไปเห็นทั้งสันติอโศกปฐมอโศกหลายๆที่ความเป็นความอยู่ระบบวิธีการการเป็นความอยู่นะครับแล้วก็วิธีการระบบความเป็นความอยู่นั้นนะมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่คนอโศกจะเข้าใจแล้วก็ทราบเป็นอย่างดีก็คือสาธารณโพคีะนะครับตรงนี้แหละครับที่นี่สวนลุมพินีก็เป็นที่สาธารณะนะครับ ม อ, อาโศกก็มีสาธาณะแต่เป็นสาธารโภคีซึ่งตรงนี้แหละครับความเป็นสาธารโภกีมาอยู่ที่ที่เป็นที่สาธานะผมอยากให้พระครูอถธิบายความเป็นสาธารโภกีที่มีความเป็นความจริงความอยู่ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มาเกิดปรากฏตรงนี้ด้วยครับพระครูครับอา้าวตกลงถ้าถามอย่างนี้แล้วก็ขออธิบายคลุมไปหมดก็แล้วกันว่าครับการชุมนุมออกมาชุมนุมเนี่ยเราชาวโศกรา มีการชุมนุมโดยหลักเกณฑ์ของเราเลยที่ประกาศอย่างชัดเจนตั้งแต่อยู่ที่ข้างธรรมเนียมมาแล้วว่าของเราเนี่แปลงการชุมนุมประท้วงที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าปรเทสเนี่ยและเราก็มั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยที่มันยังไม่เกิดปรากฏอย่าง แม้ขออภัยถ้าพูดไปแล้วไปเดียวเขาจะหาว่าเราโม้เราคุยตัวหลงตัวก็ขออาภัยนะตรงนี้มันเป็นความจริงใจแล้วก็มั่นใจว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ขอพูดอันนี้ก็แล้วกันครับคือเราก็เห็นดูแล้วว่าใครๆเขาทํารู้สึกว่าเขาเองเขาอิงแอบมีอะไรแต่ไรอยู่แต่ของเราในข้ามั่นใจว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่มีอะไรอิงแอบครับไม่มีอะไรที่จะอ จะใช้อะไรอื่นก็คงนั่นแหละอิงแอบหรือซ่อนแฝงอะไรไว้น่นะมันไม่มีนะและที่นี้เราก็เลยตั้งชื่อของเราว่านิโอโปรเทสครับนิโอโปรเทสคือเราชุมนุมประท้วงโดยการอธิบายคำว่าชุมนุมประท้วงคืออะไรครับแล้วที่บอกว่านิโอคือนิวนิวนี่แหละใหม่นี่แหละแต่เป็นภาษาโบราณนิโอคือภาษาเก่าครับเราก็จะชุมนุมประท้วงอย่าง มันไม่เหมือนใครครึกมันใหม่หน่อยครับโดยทำเป็นแผ่นพับทำเป็นโบชัวนี่ออกมาแจกยืนยันประกาศเลยว่าเราทำเช่นนี้เราจะทำเช่นนี้แม้มันจะยังไม่สวยงามยังไม่ได้จริงตามที่เจตนารม์หรือว่าจุดทวิธีก็ตามเป้าหมายก็ตาม ปฏิบัติการแนวใหม่ที่เราตั้งใจทำนี่มันเป็นยังไงยังไงที่เราเขียนเอาไว้สรุปไว้ในแผ่นเล็กๆเนี่ยครับนะรางก็ภาคเพียรทำไปให้มันได้ตามที่เราเจตนารมแลมมะมีมันมีพระดาบมีครับ <c oughs> ระบวนทัศน์ครับะบนทัศน์ครับมีอะไรพวกนี้ของเราให้ไปเลยให้มันชัดเจนเลยเราก็พยายามทำอ่า คำถามอยู่ที่เป้าหมายการชุมนุมว่าเราเอาวิถีชีวิตของความเป็นสาธารณโภคีมาแสดงครับหน้าเป้าที่คำถามที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงเป้าหมายการชุมนุมของเราที่เรามีอยู่แล้วใน n น o p โ, โปรเ s สต์จะใครสนใจอยากจะได้เราก็สิโลอกของเก่านี่มายังไม่ได้มีทุนที่จะไปพิมพ์มาใหม่ไอ้ตอนนั้นมาพิมพ์สีกระดาษดังดีมาเลยนกระดาษตอนนี้ก็ คุณรอนยังวันนั้นติดลบไปตั้งหลายตังค์ <laughs> แต่วันนี้ฟื้นขึ้นมามีผู้มาช่วยเพิ่มเติมขึ้นก็ค่อยว่ากันไปครับนะก่อนจะถึงอันนี้ขออธิบายคร่าวๆโครงสร้างก่อนแล้วค่อยมาเจาะตรงที่ความเป็นสาธารณภูมิ ท, ที่คุณคถามมาแล้วกัน ค, คื อ, อยุทธวิธีการชุมนุมของเราเนี่เป็นรูปแบบการชุมนุมที่เจตนาและตั้งใจทำจริงๆเลยว่าหนึ่งต้องสุภาพสงบและเรียบร้อยครับ สองไม่มีความรุนแรงสามเสนอความรู้และความจริงครสี่ไม่หยาบไม่ผิดครับอันนี้ต้องภาคเพียรเลยไม่หยาบไม่ผิดกล่าวคําแรงเสียงดังเท่าใดก็ได้ถ้าคอคุณไม่แตกครับเอาไปเลยกุจะกล่าวให้เสียงดังเสียงตะโกนยังไงก็กล่าวไปเลยครับแต่อย่าหยาบอย่าผิดนี่เป็นเงื่อนไขที่ขอไว้นะั่นนะ่นะนะนะนะันี่คือรูปแบบของการชุมนุมครับส่วนเป้าหมาย ขรงการชุมนุมนี่แหละหนึ่งไม่มุ่งหาปริมาณเป็นเอกออืครับซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนกับเราจะเล่นลิน้นครับคุณไม่ต้องการมวลเป็นเอกไม่ต้องการปริมาณเป็นเอกครับจริงหรือเปล่าถ้ามามากๆแล้วคุณเองคุณจะรังเกียรตหรือรไม่รังเกียจครับแต่เราไม่ตั้งเป้าเราไม่เจตนาครับเราไม่อยากพูในิชัดรายละเอียดขึ้นไปเรารไม่อยาก พระพุทธเจ้าสอนเรามาเลยนะอาตมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนและเห็นว่ามันคําสอนที่สุดยอดเยี่ยมเลยอาตมาพยายามทําให้ได้ครับคือเป้าหมายแห่งการทํางานของเรานี่อยมาประกาศธรรมะจะมาสอนธรรมะจะมาอธิบายมาทํางานกับสังคมนี่อย่างไรก็ตามครับท่านตัดไว้ว่างนี้ทั้งหมดภิกษุทั้งหลายเอาไปให้ชาวบ้านอ่านตามเลยก็ได้นี่เป็นคําจัดของพระพุทธเจ้าเลยภิกษุทั้งหลาย พรธมจันท์เราประพฤติก็หมายความว่าสิ่งที่เรากระทาในสิ่งที่เรียกธมจันท์นี่ก็หมายความว่าทุกอย่างที่เป็นความประพฤติอันดีงามพธมจันทร์เนี่ยครับญาจริยานี่แหละความประพฤติอันดีงามที่มันสูงสุดอะธมจันทร์เราประพฤตินี้ที่เรามาปฏิบัติกันในเพื่อไปสู่พรธมจันทร์ทั้งนั้นแหละครับม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนให้มาเคารพนับถือเพราะตอนนี้มาทำนี่ไม่มีการหลอกลวงให้ใครมาเคารพมานับถือเลยครับมีความจริง ความรู้อะไรเราก็สาธยายบอกกันไปสองมิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารไม่ได้ไม่ได้หมายหมายเขาว่าจะให้คนเข้ามาเคารพนับถือสองไม่ไม่ไม่ได้เรียกคนให้มาเป็นบริวารคนจะมานับถือเราก็ไม่ได้ขัดข้องใช่ไหมคนจะมาเป็นบริวารเราก็ไม่ได้ขัดข้องแต่เราในจิตใจเราไม่ได้มีเจตนาลมไม่มีในความต้องการไม่มีความตั้งเป้า ไม่มีไม่มีตั้งเป้าไม่มีเจตนารมณไม่มีความมุ่งหมายว่าจะให้เป็นแต่ถ้าเป็นเราก็ไม่รังเกียจนะเราก็เป็นไปถ้าจะว่ากันจริงจริงถ้าจะพูดถึงว่าจริงๆรลึกๆน่ะถ้าจะพูดอย่างคนๆเลยนี่พูดอย่างพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าทำไมมีกิเลสนะทำไมมีกิเลสถ้าการะตรัดจังชัดเลยสะอาดบริสุทธิ์เลยแต่ถ้าเผื่อว่าต่างคนธรรมดาเนี่ยมันอยากได้มาเรื่องนี้ก็อยากได้อะถ้าจะพูดง่ายๆ แล้วก็มาทํางานอย่างงี้มันก็อยากได้แต่ว่าสําหรับตัวเรานั้นเราต้องทําใจเป็นฝึกเป็นการฝึกขัดใจเลยว่ารเราอย่าไปตั้งความอยากแต่เราก็พยายามเสนอสิ่งจริงใครเขาให้อิสาระเสรีภาพเขาเห็นว่าดีเขามานับถือเขาเห็นว่าดีเขามาเข้ามาเป็นบริวารเอง น, นี่คือสุดยอดในการไม่เที่ยวใดไประรานใครครับแล้วเราก็ไม่มีกิเลสที่จะให้มันเป็นทุกข์ของตัวเองเลยอได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปครับ สามไม่เพื่อจะได้ลาบสักการะรเพื่อจะได้นั่นแหละโลกธรรมลาบส ก, การะเสียงสร่เสริญไม่ได้ต้องการอันนั้นจริงๆใจเรามีไหมกิเลสแบบนี้ต้องเรียนรู้ของตนเองแล้วอย่าให้มีอาการของจิตแบบนี้ครับซึ่งต้องเรียนรู้ปรมัตถธรรมอ่านจิตเจตสิกรูปนิพานจิตใจของเราต้องอ่านให้เป็นเลยมันมีอาการอย่างนี้มีลักษณะของ ภาวะรูปอย่างไรมีวัฒนธรรมของวิญญัตวิญญัติรูปอย่างไ ร, รเป็นกาย ว, วิญญาตเป็นวจีวิญญาตอย่างไรต้องเข้าใจพวกนีนะ้ซึ่งเป็นรูปธรรมในเรื่องปรมัติฏที่อาตมาพูดเป็นภาษาวิชาการทางธรรมกันอาจจะลึกซึ้งหน่อยผูม้มีพื้นฐานอาจจะรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องขออภายัยที่ใช้ภาษาเทคนิคลเทอร์มลึกไปหน่อยนะก็เราจะต้อง ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของเจ้าอย่างที่ว่านี่จริงๆเลย ก, กรรมกริยากายวิ ญ, ญัาตเป็นยังไงคกำกริยาของวจีวิ ญ, ญัาตเป็นยังไงถ้ามันมีอาการแทรกแซงว่าเรามีความอยากผสมประส า, านอยู่ในนั้นเรียกว่าสังขารร่วมครับเรียกว่าสัมปยุทธ์หรือสังขารร่วมอยู่เราจะต้องไม่ให้มีครับนี่คือภาคปฏิบัติธรรมของเราจะต้องรู้จักนามมาทำ ร, รู้จักเจตแตสิท ข, ของเรามีอาการลิงคนิมิตรเรียกว่ารู้จักนามมารูปอาการลิงคนิมิตอย่างไรแล้วอย่าให้มี อ่านตัวเองให้ออกให้ออกจริงๆเวลาขึ้นมาบนเวทีมาปาใสมาแสดงทุกก็ไม่ไม่ได้เพื่อมาเพื่อต้องการให้มาเป็นดาราให้คนติดให้ให้ชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ไม่ใช่เลยไม่มีลาบสการะเสียงสรรเสริญหรือไม่ใช่เพื่อจะเป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นเจ้าคณะ เป็นเจ้าสํานักแล้วก็จะได้เป็นล้มสํานักอื่นล้มคณะที่อื่นล้มคณะอื่นครับไม่ใช่ครับคนอื่นเขาจะล้มเขาล้มเขาเองเขาจะตั้งอยู่ได้เขาก็ตั้งของเขาเองเราทําของคณะเราเราก็ทําของเรานีไปใครจะมาร่วมคณะก็เป็นไปเองครับจะเป็นไปก็สมัครใจของคนทุกคนเองไม่ได้มานั่งลงบัญชีเป็นสมาชิกโดยจะต้องใครเขา้าใครออกก็จะต้องมีครับค่าสมาชิกเท่านั้นเท่านี้ไม่มี นะเป็นเรื่องของความเป็นไปโดยสัจธรรมนะไม่เพื่อสร้างรัฐีสร้างอะไรของป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าคณะเจ้ามูเจ้ า, จาดือดีไม่ดีเป็นเจ้าโลกเลยอะไรนี้ไม่ใช่ครับนะเพราะมีคนมีคนเ MS มาก่อนนะนี้ว่าจะมาปกครองประเทศไทยหรือเปล่าตอบไปแล้วเมื่อวานนี้าานนครับจะมาปกครองประเทศไทยหรือเปล่าบอก ว, ว่าสันติโศกบอกว่าจะมาปกครองหรือเปล่าพูดโดยเล่นลิ้นได้เลยว่าปกครองอย่างไม่ปกครอง ไม่เป็นปกครองใครหรอกใครจะปกครองก็งปกครองกันเองโดยธรรมรนะก็ตอบไปแล้วเมื่อวานนี้นะอาทีนี้ข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่าตรัสว่าไม่ได้เพื่อมาให้คนอื่นคนใดเขาเข้าใจว่าเรานี่เป็นผู้วิเศษครับเป็นผู้เก่งเป็นผู้สามารถเป็นผู้ที่โอ้โหเยี่ยมยอดอะไรไม่ใช่เรามีอะไรเราก็แสดงความจริงออกไปใครเขาจะเห็นว่าเป็นยังไงขเขาก็ว่าไปเสื้อตมาก็ยังมีคนเขาด่าเขาว่าว่ายังงโ้นอย่า ง, งนี้อ่าโดยชี้ที่หมายของอัตมาในอนาคต สู่ทุกขติอาตมานี่ตายแล้วตกนรกแน่ๆอะไรเขาก็มั่นใจเขาก็ว่าอาตมาอยู่ทุกวันนี่ยอ่บอกชื่อบอกมันอาตมาไม่รู้ชื่อ <laughs> เขาเอสเมาอย่างตลอดเวลาเลยชื่อ <laughs> เอสเอ็เขามีรหัสเขาแค่รหัสคือแปดเจ็ดศนห้าเขาก็ชี้ทางให้อาตมาทุกวันเนี่ยเขาก็เอสเอมเอมาชี้ทางอาตมานี่อาตมานี่ที่หมายของอาตมาตายตกนรกแน่ๆอาตมานี่เป็นคนเลวคนผิดคนพาคน เสียหายอะไรใจต่างๆนานานะเขาก็ว่าเขาตลอดเวลาเลยครับเสื้อธรรมาก็ฟังนะไม่ได้ไปประมาทดูถูกอะไรเขาเขาก็ฟังเขาก็ามีความเห็นของเขาก็ๆๆๆก็ดีเราก็นับฟังความเห็นของคนอื่นมาเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องเปรียบเทียบครับแล้วก็ใช้เป็นเหตุปัจจัยในการพิจารณาว่าเออแล้วอย่างนี้มันจริงเขาว่าไหมมันเป็นจริงไหมอย่างใดมันจริงเราก็ต้องมีปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงให้ชัดครับ ถ้ามันจริงเขาว่ามันไม่ดีเออเราก็แก้ไขก็ขอบคุณเขาถ้ามันไม่จริงก็อยู่ที่เราเองนะเราเรามีภูมิปัญญาเท่าไหร่ที่จะอ่านโดนไม่ลาเอียงข้อ้างตัวเองไม่ลำเอียงข้อค้างอะไรทั้งนั้นแหละฉันฉันทากติอะไรเราโทสาคติอะไรต้องไม่ให้มีชั้นออคติสี่เลยตรวจจริงๆเมือ่อตรวจแล้วชัดเจนว่าเราไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่มันไม่ไปตามที่เขาว่าเราก็มันดีนี่เราก็เห็นว่ามันดีแต่เขามองไม่ออก เอาเขแล้วไปเขามองไม่ออกเราไปบงังคับให้เขามองออกไม่ได้แล้วก็ทําไปมั่นใจก็ทําไปอย่างที่อัดมาทําไม่ได้กลัวได้เครื่องอะไ ร, รนะไม่ได้ทึษาอะไรนะทีนี้คนที่ว่านี่มีคนเขาคือแกติดตามมานานแล้วนะ <c oughs> มีคนก็ทนไม่ได้ก็ไปอ๋อเขาอยู่ที่ช่องบลูสกายเขาไปโทรบอกคนเพื่อนให้รู้ว่าเขาเองนี่เขานามแฝงของเขาคือผมดอกเหลา อายุ70กว่าบ้านอยู่สระบุรีว่างั้นโอ้โ oh หมีคนติดตามเนี่ยอาตมาเพิ่งรู้ตอนนี้นะนี่เขาบอกให้อาตมารู้อาตมาแต่ก่อนไม่เคยพยายามจะติดตามเขาหรอกไ ม, ไ, มไม่พยายามคน้คนควา้าไม่จะไปติดตามไม่พยายามไปสืบทราบนี่คนมีคนบอกใหม้มาว่าเป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นช่างเทคนิคอ๋อเป็นช่างเทคนิคซะด้วยช่างเทคนิคอยู่ช่อง blue sky นี่เองโอ้อ๋อช่างเทคนิคอยู่ช่อง blue sky นี่โทรมาบอก โทรมาบอกให้รู้ว่าคนคนนี้นามแฝงว่าผมดอกเหล่าอายุเจ็ดสิบกว่าบ้านอยู่สระบุรีว่า ง, งั้นอ้าวแล้วไปไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่ได้โกรธไม้เคือไม้แค้นอะไรกันนั่นคือคำสอนของพระเจ้าที่อาตมาเอาใส่เกล้าใส่หัวครับแล้วเทิดทูนบูชาปฏิบัติประพฤติตามให้ได้ให้ได้ให้สมบูรณ์ให้ได้จริงๆจังๆเลยนะเพราะการมาทำงานนี้ของเราจึงมาทางานเพื่อที่จะมา แสดงความรู้และความจริงออกไปสู่มวลมนุษยชาติเท่านั้นนะอาทีนี้เดี๋ยวขอยักพักครูนิดหนึ่งครับผมทําความเข้าใจตัวเองนิดหนึ่งหลักคิดเริ่มต้นก็คือใช้หลักของธรรมก็คือมหาประเทศเป้าหมายของการออกมาเนี่ยคือเป้าของพมจันทรย์ไม่ได้มีเจตนาใดใทั้งสิ้นอย่างที่พักครูอา ธ, าธิบายเพิ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปใช่ครับครับถูกต้องนะเพราะงั้นข้อหนึ่งที่บอกว่าไม่ไม่มีการประสงค์ปริมาณเป็นเอก ไม่ประสงค์ไม่ตั้งใจมุ่งหาปริมาณแต่ถ้าปริมาณมันจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เป็นของดีของถูกต้องแล้วแต่เราไม่กระเฮียนกระฮื้อรือ <brewer S 2> ที่จะได้มากมามากมากมากมากไม่เป็นไรมามากก็ดีไม่มามากเท่าไหร่ก็เท่านั้นน้อยลงบ้างพอเป็นไปก็เอามันพอถูกพอไถก็เอาเราเห็นว่าเราเห็นว่ามันทาสิ่งที่ดีอยู่ทำมาเก้าหน้าล้วก็ต้องโทษเราว่าเราไร้ฝีมือ เราได้ความสามารถเราได้ความรู้ความสามารถหรือว่าเออเราสื่อของไม่ดีไม่ถูกกําลังก็ตรวจสอบตนเองแต่ถ้าเผื่อว่ามันยังมีอัตราการก้าวหน้าอยู่ทําไปเรื่อยๆครสองแสดงคุณภาพของความเป็นประชาธิปไตยอืมวงเล็บ้วยนะว่าต้องมีธรรมะรจิตจะต้องให้จิตมีธรรมะเสริมขึ้นเสริมขึ้นเสมอครับแสดงความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรเอาวักไว้ไม่ค่อยว่ากันไม่ค่อยพูดกันต่อไปครับ สามเพื่อมาแสดงสิทธิมาแสดงสิทธิร่วมกันชุมนุมยืนยยืนยันอ ำ, อำนาจอธิปไตยของมวลชนครับอันนี้มันมีความหมายในตัวเขามันเองอยู่ว่ามายืนยันอานาจอธิปไตยของมวลชนซึ่งอาตมามั่นใจว่าผู้ที่มาที่นี่เนี่ยจะมีปัญญามาหนึ่งเราไม่ประเลาประโลมเราไม่หลอกลวงเราไม่เอาอะไรล่อ สองเราไม่บังคับไม่บังคับไม่ใช้อํานาจอะไรอะไรเลยนะเพรา ะ, ะนั้นสมเราไม่ใช้ไ อ, อ, อ้สิ่งที่ไม่ชอบมาพากนทุจริตทั้งพวงซึ่งไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงทั้งพวงเน่ยเราไม่ใช้ก็ขอเมาไปข้อที่สามก็ลกแล้วกันเราเจตนาทำอย่างตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจะมาเนี่ยมาโดยอิสระเสรีภาพมาโดยอิสระเสรีของเขาใจของเขาเอง เขาเห็นด้ยวยปัญญาไปเห็นควรเขาก็มาร่วมเขาจะมาสนับสนุนเข้ามาไม่ไม่ไม่อยากสนับสนุนเขามาหรือผู้อยากสนับสนุนแต่ไม่โอกาสไม่ให้ไม่ได้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผู้ใดที่พยายามภาคเพียนมาอุตสาหมาก็เป็นเรื่องจริงของคนเขาเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมานี่แหละคือตัวบุคคลผู้มาแสดงหนึ่งคนหนึ่งเสียงของอธิปไตยหรือของอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย เท่ากับเราจะได้อ่านเสมอว่าคนไทยสนใจไหมหนึ่งนเนี่ยนี่คือกำลังชุมนุมประท้วงรวบรวมคะแนนบุคคลสดๆมาแสดงหน่อยสิเรามีเวลานัดกันเช่นว่าเราบอกว่าอานาเราจะเริ่มถ่ายทอดก็บอกแถบไปซะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจ ะ, สะเสด็จไม่สเสว็าไม่รู้นะเราตั้งใจว่าจะเริ่มถ่ายทอด ที่นี้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นครับเราเริ่มจะเริ่มเพิ่มกรลังครที่เราทํามานั้นห้าโมงเย็นเริ่มห้าตอนนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้จะสําเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้กับบารืนครับเพราะว่าเรายังขาดแรนบุคลากร น, นี่ก็ประกาศไปแล้วสิทธ์เก่าผู้ที่คอยช่วยทางด้านสื่อสารเนี่ยช่วยมาทํางานสื่อสารนี่พวกเรามีมือทํางานทั้งมือกล้องมือสวิต ช, ชิง่งมือแม้แต่โผลิตเซอร์อะไรก็แล้วแต่พวกเราก็ทํากันได้ ก็ต้องให้มาช่วยกันหน่อยนะก็ยังไม่มาพร้ อ, รอมเท่าไหร่แต่ก็กำลังห า, าอยู่ถ้ามันพร้อมพ อ, มพอมก็ได้เลยครับอัน น, นี้เรามาทำอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏอยู่ในประเทศไทยว่าคนไทยรู้จักตัวเองว่ามีสิทธิหน้าที่ของอธิปไตยแล้วจะออกมาแสดงตัว มาแสดงมวลคะแนนเสียงนี่เราทำคะแนนเสียงประกาศเรียนรู้ด้วยและปฏิบัติจริงด้วยให้มาทำสิออกมาแสดงตัวอาจจะมาได้อธิบายแล้วก็จะอธิบายอีกครับว่าประชาธิปไตยแปดขั้นแปดขั้นตอนจะได้อธิบายอีกนี่เป็นอธิปไตยขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนะจ๊ ะ, ะไม่ได้พูดเล่น รานนี้กำลังอธิบายความรู้รัฐศาสตร์ตามประสาทิรักครับนะซึ่งอาจมาดีใจนะศาสตราจารย์ดรปราโมทนาคอนทัพบแอบพลูไฟอาอาตมาแล้วนะครั บ, ร บ, รบว่าว่าประชาธิปไตย8ขั้นนี้ถูกต้องใช่ได้ใช่ได้ escape ของคนไทยว่างั้น อ่าดีเลยผเทหรานเรียนนี้มาหลายประเทศจบดอกเตอร์ทางรัฐศาสตร์มาไงครับอาตมามันคนได้การศึกษาทำได้อย่างนี้อาตมาก็โอ้โหไม่ให้อาตมารอยได้ไงอาตมาก็ต้องรอยขนาดอ้าวยังยังอย่าไปพูดมากเก็งอ่าทีนี้ต่อเพราะงั้น อาตมาจึงมาพยายามทำงานเพื่อหนึ่งให้ความรู้สองให้เกิดความจริงรว่าประชาชนจะเข้าใจประชาชนจะปฏิบัติไหมและมันก็เกิดไปเราก็เยบอกว่าเราไม่ได้รีบร้อนอแต่ได้เร็วๆก็ดี น่าเราก็ไม่ดีร้อนได้เร็วๆก็ดีคนเข้าใจดีคนเข้าใจได้และคนก็มาร่วมครับมันก็เป็นช่วงโอกาสอย่างนี้แหละก็เวียนกันไปเวียนกันมาสนับสนุนส่งไปมาถ้าตราการก้าวหน้าการเจริญในการทํางานนี้ได้ดีครับอัตมามองเห็นประเทศไทยจะเป็นปร ะ, ประเทศประชาธิปไตยที่จริงครับซึ่งอัตมาไม่เคยเห็นเขาสอนหรือเขาแนะนําหรือเขาทากันนอกจากจะหามวลรสร้างประชานิยมชาติจัดตั้งคณะกรัมมู่ โดยวิธีการหลายอย่างที่ใช้กลเม็ดกลยุทธเพื่อที่จะเรียกร้องมวลให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจัดตั้งครับนั่นเชื่ออาตมาถือว่าอย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนั้นเป็นการสร้างมวลมาหาอานาจเพื่อที่จะนำไปใช้อานาจนั้นกับประชาชนเหมือนอย่างอียิปต์ ปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าต่างคนต่างเอามวลมาพทะกันนแล้วก็เกิดสภาวะเคลีอดเกิดวิกฤติกันขนาดนั้นอย่างรุนแรงปาดเจ็บล้มตายหลายประเทศเป็นเช่นนั้นอยู่เขาทําอยู่ครับเพราะในแนวลึกของความรู้ทางประชาธิปไตยของเขายังไม่พอเพราะฉะนั้นอาตมายังมั่นใจว่าคนไทยจะศึกษาได้แล้วก็จะเป็นจริงได้เพราะงั้นมันจะช้าหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องจริงจังอเป็นการ เนโอโปรเทสเป็นการชุมนุมประท้วงที่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยแท้แต่มาบอกประชาธิปไตยคืออะไรคือโปรเทสออกมาชุมนุมประท้วงต้องการอะไรก็มาแสดงสิทธิของคุณจีนะ้ตัวจริงออกมาเลยหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งจริงรสดๆไม่ใช่ของแห้งไม่ใช่ของไปเทิเด็กใช้ใครมาแทนใครไม่ใช่ นะอย่างระดับที่สี่ที่ห้าดีหกอย่างที่เอามาอวดอ้างอยู่โชว์ชอยู่วันนี้ครับซึ่งแม้แต่นายกนะรัฐมนตรีก็เปนอันดับที่หครับนะรัฐมนตรีอันดับที่เจดข้าราชการก็อันดับที่แปดอะไรเงี้ยโอ้มันไกลเหลือเกินเเพรานะะงั้นเนี่ยเอาขั้นที่หนึ่งนี่ละมานี่คือการมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนี่มาศึกษาและแสดงสิทธิออกมาชุมนุมยืนยันอธิปไตยของมวลประชาชนครับข้อสี่ ไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้อืมครับไม่ไม่เอาชนะค้านไม่เอาแพ้เอาชนะอะไรมาเอาความจริงความรู้ให้เกิดกุมวลประชาชนแล้วมันจะเป็นไปโดยของมันเองอืมครับถ้าคุณจะยอมเราก็ไม่ถือว่าคุณแพ้ครับเราก็ถือว่าให้เกียรติว่าอ๋อคุณรู้จักสิ่งที่ควรจะหยุดควรจะเลิกควรจะระงับยานผู้ดีครับอืก็ขอบคุณ ก็จบเราก็ไม่ยิงพยองว่าเราชนะเฮ่เฮแล้วก็จะไปยามหยันกันจะไปทะเลข่มขีกันไม่เอาครับไม่งั้นมันก็จะเกิดวิกฤตเหมือนไม่จบไม่จบไม่จบอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นอีกฝ่ายไม่พอใจก็ไล่ล่ารวมกลุ่มกันอีกตีกันอีกข้าฟันกันอยู่ไม่เสร็จไม่สิ้นใชอมันเป็นเรื่องไม่สูงทรงเนี่ยจะมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะต้องมาแนะนําและพาให้ทําอย่างนี้ครับ เพราันผมผมนึกประโยชน์ที่พระครูพูดอยู่เสมอครับเหมือนผมจะเริ่มเข้าใจแล้วที่บอกว่ายาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงดูเหมือนพรอครูอถ ธ, ธิบายข้อสองข้อสามข้อสี่เมื่อสักพู่นี้เนี่ยมันตรงกับคําพูดว่ายาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงเช่นนี้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าพ่อครูครับูต้องถูกต้องครับอ่าเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้สูตรบอกไปแล้วสั้นจิตสั้นเลยภาษาไทยว่าคือดูไปครับ ใช้สูตรดูไปครับ go on and see เอาใช้ภาษาอังกฤษกำกับว่า go on and see out ดูไปแล้วก็ทำไป go on ดูไปแล้วก็ทำไปดูวิ่งออนไปเรื่อยๆทำไปโดยที่มีจุดมุ่งหมายมีปัญญาใช้ความารู้ทำไปไม่ใช่ทำอย่างสุ่มสีสุ่มห้าครับทำไปจนให้ถึงทะลุที่สุดเลย see out ครับ ให้ถึงผลสําเร็จจุดสุดยอดไปจนจะให้เป็นได้นี่แหละก็ก็กกกกกกตั้งใจทําอย่างนี้เพราะงั้นจะบอกว่าแพ้หรือชนะเราก็ดูตามจริงอาตมาเคยอธิบายว่าเราทํางานของเรานี่เราเห็นความขอใช้ภาษาเราไม่ได้คิดอ่านจะเอาชนะแต่ขอใช้ภาษาว่าชนะมาใช้เรียกหน่อยนึงว่าเราเห็นความได้ผลที่เรียกว่าชนะเนี่ยครับ มันได้ผลนี่เราเรียกว่าชนะแต่เราไม่ใช่คําว่าชนะเพราะวันฟังแล้วมันจะมีแพ้มีชนะครับแต่เรามันได้ผลรายทางอืมครับพเพราะเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่าเราชนะรายทางครับได้ไปเรื่อยๆก้าวหน้าได้ผลชนะไปเรื่อยๆหรือว่าได้ผลไปเรื่อยๆรายทางไปเรื่อยๆนี่เราทําอยู่อย่างนี้ครับ ถ้าเราเห็นว่าเออมันชะงักมันไม่ได้ผลหรือมันเอ๊มันเสื่อมให้มันไม่ไม่ไม่เป็นผลที่ควรจะได้ไม่เกิดความก้าวหน้าคือไม่เกิดความก้าวหน้าเราก็จะแก้ไขปรับปรุงถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วก็เลิกแพ้หยุดเหตุปัจจัยรกขัดข้องเรามีภูมิตัวนี้หรืออะไรกเหตุปัจจัยอื่นๆที่จะให้เราทำมันทําต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ดันทุรังครับถ้าไม่เกิดประโยชน์ที่จะควรเป็นควรได้แล้ว เสียเวลาเสียแรงงานดันทุรังไปก็โง่เปล่าๆก็ดูเหมือนว่าพระครูเอาหลักธรรมที่เรียกหลักอิทธิปัจจยตามาอธิบายอีกแล้วไปตามเหตุตามผลดูตามสภาวการนั้นๆใช้ปัญญาใช้หลักเดิมก็คือมหาประเทศพิจนาบช่ต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาถูกต้องเลยทีนี้เข้าเป้าสุดท้ายที่คุณถามว่าข้อหาเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณโพคีมาแสดง อันนี้หลยเป็นเป้าหมายของการชุมนุมที่สําคัญมากครับที่เราชาวอโสเราทําได้คําว่าสาธารณโพคีคํานี้เนี่ยตอนนี้ขออภายนะัยในที่จะต้องลงลึกละเอียดไปหาธรรมะพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งก็ อ, งอาจจะฟังยากสำหรับผู้ไม่มีพื้นแต่อาตมาไม่เชื่อหรอกว่าพวกเราแม้ไม่ได้เรียนมาจะไม่มีบา ร, รมีในตัวที่จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะอาตมาพูดภาษาไทยนะ แม้จะยกอ้างภาษาบาลีบ้างแถมดัจจริตมีภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะก็ก็ขอแถมบ้างเท่านั้นนิดๆหน่อยๆนะก็คิดว่าพวกเราเข้าใจได้นะสาธารณโภคีคืออะไรครับแปลก่อนสาธารณะก็คือส่วนกลางสาธารณะของส่วนกลางโภคีคือร่วมกินใช้อาศัยอยู่กันครับก็ร่วมกินร่วมใช้ร่วมอาศัยกัน ของส่วนกลางสาธารณโภคีคร บ, บริโภคนั่นเองโภคีบริโภคของส่วนกลางของนี้ไม่ใช่ของใครมาร่วมกันใครมีคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมกันมาอะไรแล้วก็แบ่งแจกกันกินกันใช้อาศัยกันไปในชีวิตเราทํำมันนี้เนี่ยเราทํำกันชาวโศกเราทําได้เป็นชุมชนเพราะชุมชนของชาวโศกทุกชุมชน อยู่ในระบบสาธารณนาทุกชุมชนในประเทศที่มีที่ชุมชนก็แล้วแต่ขณะนีนะ้ชุมชนราชเนียโศกสันตียโศ ก, กสมโศกซีสาโศกสีมาโศกภูผาฟ้านา้ำอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเ น, นี่ยที่มีอยู่หลายสิบหลายสิบชุมชนครับแต่ยังไม่ถึงร้อยหรอกไม่ยังไม่ถึงร้อยแต่ก็หลายสิบห้าสิบหกิสิบนับย่อยๆก็ได้นะ ทั่วประเทศอยู่นี่ปลายกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยทุกชุมชนเราเป็นสาธารณภคีคือทุกคนทำงานแล้วร่วมใช้ร่วมกินส่วนกลางถ้าคนเป็นสมาชิกอยู่ข้างในนั้นจริงจังแล้วหรือคนนอกชาวโศกข้างนอกเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ข้างในนั้นก็มาทำงานฟรีรทำแล้วกินส่วนกลางก็กินใช้ยอยู่ส่วนกลางคุณออกไปข้างนอก คุณเป็นส่วนตัวของคุณก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรครับแต่อยู่ข้างในนี้คนอยู่ทข้างในประจําเลยเขาก็ให้ส่วนกลางหมดประจําเขาก็ไม่ต้องมีของส่วนตัวเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานค่ามันสมองค่าลิขสิทธิ์วิธีคิดของฟรีครับได้ว่าเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์คือทําแล้วก็เอาเข้าของกลางหมดเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ที่สูงสุด สังคมนิยมหรือคำว่านี้เขาก็อยากได้ส่วนที่เข้าไปเป็นภาษีเยอะๆเขาก็ออกกฎหมายบังคับขูดรีดแรงหน่อยครับส่วนประชาธิปไตยก็ขูดรีดกันก็มีบางประเทศเขาขูดสูงนะจากผู้รายได้สูงครับแต่เมืองไทยนี่ผู้รายได้ได้ได้ได้สูงแล้วหลบเลี่ยงเก่งไม่ค่อยให้เพราะงั้นคนที่ไม่ค่อยจะมีฤทธิ์มีแรงอะไรในสังคมถูกขูดรีดเกือบตายเกือบเป็นอยู่แล้วในประเทศไทยตอนเนี้ยครับ มันไม่มันไม่ถูกต้องมันรักมันมันไม่มันไม่เป็นมันเป็นเป็นสัตว์อะไรล่ะมันไม่มันไม่เที่ยงธรรมอ่ะครับอ่ามันไม่เที่ยงธรรมมันมันมันมันเป็นเรื่องไม่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงหรือมันไม่ไม่ควรจะเป็นอ่ะมันรักลั่นมันคนที่มีอํานาจออกกฎหมายออกหลักเกณฑ์ออกอะไรตัวไรก็เอาประโยชน์เข้าตัวตัวเองได้เปรียบครับอ่าส่วนผู้ที่ ควรจะต้องเสียน้อยควรจะต้องอไม่ไปกลีดนาทาเรนเขากลับถูกหนา้านาทาเรนยิ่งขึ้นคนที่ควรจะเสียสละควรจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นกลับไม่ค่อยกดระเบียบนั้นกลับไม่เอือ้อไม่ทําเช่นนั้นอันนี้มันรายละเอียดอาจามาก็พอละไม่ลงลึ ก, กวันนี้นะครับอาทินี้มาเข้าสาธาราโภคีที่แปลไปแล้ว ในยุคพระพุทธเจ้านั้นท่านทําได้เฉพาะในองสงในผู้ที่มาบวชแล้วมาอยู่ในธรรมนูญเรียกว่าศีลครับศีบหลหรือกฎระเบียบข้อบังคับทีจริงไม่ถึงขันงนงข้นบังคับศีลไม่ถึงขั้นบังคับถ้าวินยัยกฎระเบียบอันนี้บังคับครับถ้าศีล น, นี่คือข้อควรทําเป็นอิสระเสรีภาพมากใครจะสมัครมามีศีลก็มาเอง แล้วก็ถือศีลนี้ปฏิบัติตามศีลนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ได้ขัดเกลากิเลสไปจนกระทั่งสมบูรณ์ได้หรือเมื่อมาใช้มาปฏิบัติแล้วแค่ตามหลักเกณฑ์ของศีลจิตของคุณยังไม่บริบุรุษไม่เป็นไรคุณมาอยู่ในเกณฑ์ถือศีลนี้สมาทานศีลนี้ก็ใช้ได้แล้วศีนที่ป้าแนะนำเป็นศีนเบื้องต้นศีนธรรมนูญของพระเจ้าคือจุลศีนมชีมศีนมหาศีนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ต่างจากลัทธิอื่นๆใดๆทั้งหมด ครับข้อท่านเองเลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจุลศีลมี26ข้อมีมัชฌิมศีล10ข้อมอีมหาศีลอีกเจข้อหรือไง7หรือ6นี่อาตมาก็จำไม่แม่นนะตรงนี้นั่นเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์อย่างนี้เลยประกาศไปท่านใช้หลักเกณฑ์นะี้เป็นธรรมนูญของของกลุ่มเรียกว่ากลุ่มรัฐที่กลุ่มศาสนากลุ่มพรมจันทร์ ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปไหนท่านก็ประกาศอันนี้ไปไปแคว้นกาสีไปแคว้นโกะสัมพีเอาไปแคว้นแก่ไปแคว้นอะไรแล้วแต่ครับไปแคว้นมรคตไปแคว้นอะไรแควนโกศนแคว้นขงพิจาประเสียนทิครับไปแคว้นอะไรก็แล้วแต่ทุกแคว้นน่ะแคว้นที่กล่าวไปถึงมคตกดีโกศนกคดีนี่เป็นแคว้นใหญ่ในยุคนั้น เป็นควันใหญ่เป็นพเป็นร ะ, ระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในกลุ่มใหญ่ในในทวีปอินเดียครับท่านก็ไปไปแล้วท่านก็ประกาศหลักเกณฑ์ของท่านไปที่ไหนคนก็ไปของของประเทศนั้นแควนนั้นใช่ไหมแล้วท่านก็ไปประกาศท่านก็คนของแควนนั้นรักนั้นเนี่ยมาสมัครเข้ารีดมาสมัครเข้าอยู่ในธรรมนูญของท่านหรือกฎหมายของท่านหลักเกณฑ์ของท่านปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้า เมื่อเขามาเข้าหลักเกณฑ์นี้ปฏิบัตินี้แล้วพระเจ้าเป็นดินแต่ละที่ครับยกให้เลยครับยกให้คืออะไรยุคนั้นเป็นยุคทาตยุคนั้นเป็นยุคสมบุรณาญาสิทธิราชยุคนั้นเป็นยุคที่ไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอืับไม่รู้จักสิทธิแห่งความมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของของขันของข้าไม่มีสิทธิสิทธิในการแสดงออกสิทธิในการ พูดในการคิดในการทําอะไรคือยังไม่รู้เรื่องสิทธิมนุษย<ม>ชนมีชนชั้น<ล>ต้องมากมายมากมายเป็นทาสเดินอะไรอยู่เหมือนกับสัตว์ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะใช้อะไรเขาเป็นเจ้าของอ่าเขาจะใช้เป็นทาสหรือแม้เขาจะฆ่าทิ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับมันยุคอย่างงั้นจริงๆเลยทั่วทั้งหมดในยุคนั้นเป็นอย่างงั้นหมดพระพุทธเจ้าท่านทันสมัยเป็นประชาธิปไตยปลดแอกให้อิสระเสรีภาพจากความเป็นทาส ค, ความเป็นวัณณะครับ อ่าพอเป็นอะไรต่างๆใครมาอยู่ในรัฐที่ของท่านเข้าพรุ่เสมอกันหมดได้หมดเลยเสมอกันหมดเลยหมดสักดีนาหมดศาสตร์ความเป็นธาตหมดความเป็นวันลนะมหมดเลยครับนะเป็นลูกเจ้าอ่าเป็นเจ้าชายมาเข้ารีบมาบวชก็เป็นคนธรรมดาสามัญเท่ากับ คนอื่นครับร่ชาวนามาบวชถ้าชาวไร่ชาวนาบวชก่อนเจ้าชายจะมาบวชทีหลังอืเจ้าชาก็ต้องกราบเคารพชาวไร่ชนาตามอาวุโสของการบวชบวชก่อนดังนี้เป็นต้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทําได้ตั้งแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่อิสระเสรีภาพประชาธิปไตยที่เป็นธรรมะที่สุดยอดมาแต่ต้นเลยครับเสร็จแล้วสงต่างๆที่อยู่ด้วยกันนี่แหละ เป็นกลุ่มสาธารณะโภคีคทุกคนเสมอภาคคือหนึ่งยาติปริวตังปหายะสองพกขคันธาปหายะสองหลักนี้คืออะไ ร, รยาติปริวตังปหายะหมายความว่าทุกคนไม่มาแบ่งญาตทุกคนสลายความเป็นญาติที่ เรามีพี่มีน้องมีหลานมีลูกมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตาเมียายเฉพาะของเราไม่ใช่ทุกคนมาเป็นปู่ย่าตายายมาเป็นพี่เป็นน้องมาเป็นญาติที่โยติกากันในกลุ่มนี้หมดครับแม้ญาติข้างนอกนั้นเขายังปฏิบัติอย่างเราไม่ได้ก็ต้องบอกเขานะว่าเราจะเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะมีญาติเป็นญาติติดธรรมอืมครับส่วนญาติข้างนอกที่เป็นสายเลือดนั้นต้องขออนุญาตเขา ท่านให้ขออนุญาตด้วยนะถ้าเขาไม่อนุญาตจะเป็นญาติแทบไม่ให้ญาติชั้นสนิทที่ไม่ให้ไม่ให้อนุญาตไม่ให้มาบวชนะครับถ้าญาติสนิทในบอกมาทวงบอกยังไม่ให้ท่านไม่ให้บวชห้ามห้ามอถ้าญาติจะเสียนึยวว่าให้ให้ท่านไปเลยยกให้พระพุทธเจ้าท่านก็ที่จะให้บวชได้เพราะฉะนั้นคําว่าญาติปริวัติตั้งปหาญาตินีจึงลึกซึ้งเข้ามาสร้างญาติใหม่ครับเรียกว่าคณะญาติติธรรมคําว่าญาติหมายความว่า เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตา ย, ยายพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ก็เหมือนพี่น้องชาวอโศกที่เป็นญาติธี่มแค่เหลือเกลือกคุลกันต่างคนต่างมาหลายท่านท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านนะครับ อาจจะเข้าใจว่าบรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่ใส่ชุดสีน้ําเงินกันทั้งหลายเนี่ยมาจากที่เดียวกันไม่ใช่มาจากตั้งแต่เหนือจะลดใต้มาจากทั้งอีสานต่างหลายหลายชุมชนทั้งทั่วประเทศมารวมกันที่เรียกว่าญาติธรรมมีความเป็นญาติพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติธรรมพึ่งเกิดเพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ญาติข้างนอกขออนุญาตเข้ามาเป็นญาติทางนี้ครับจะพูดให้ชัดก็คือขอตัดญาติข้างนอก มาสร้างญาติใหม่ครับนี่คือญาติบริสตังปะหายะสองพกคักขันทาปะหายะก็คือทรัพย์สลิงคาร์พวกคักขันทาก็คือโภกทรัพย์ครับโระทรัพย์ที่มีมาแต่ก่อนแต่ข้างนอกคุณเข้ามาเป็นญาติทางนี้แล้วคุณจะเอามาหรือไม่เอามาไม่มีปัญหา ค, คุณมาแต่ตัวกระหัวใจก็ได้ครับแล้วทุกอย่าง พ่อขัพย์ต่างๆเป็นของส่วนกลางครับนี่และนี่แหละ<อ>คือภูษาธารโภคีคพ่อข้าคันธาปหายะเป็นของส่วนกลางทุก ค, คนไม่ยึดถือเป็นของส่วนตัวกินใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยญาติทั้งมวลหมดเลยครับพร ะ, ะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ายุคนั้นทําได้อืท่านยังไม่ละลาบระลวงไปถึงขั้นคารวะ เพราะคารว่ามันยังเป็นทาสมันยังเป็นคนมีวรณนะมีวรณะมีหลายชาติมีอะไรต่อ ย, ย, อยู่แต่ถ้ามาแต่งโกนหัวนุ่งห่มมีเครื่องหมายแล้วเสร็จได้เลยครับไปที่ไหนก็สําเร็จหมดพระพุทธเจ้าจึงมีรัฐอิสระของท่านไปที่ไหนๆๆท่านก็ไปตามธรรมนูญของท่านใครมาเข้ารีดแต่ละแควแต่ละประเทศประเทศใหญ่ประเท ศ, เ, ทศเล็ยกยกั้นในทวีปอินเดียท่านไม่ได้ออกไปนอกจากประเทศอินเดียเท่าไหร่ครับ ทุกแห่งยอมหมดเลยนี่คือความสำเร็จนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเป็นสาธารณโภกีคือทุกอย่างเป็นของส่วนกลางกินใช้ส่วนกลางไม่มีการสะสมเป็นส่วนตัวครับไม่มีใครสะสมเป็นส่วนตัวอนี่คือสิ่งสําเร็จยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมแอบไปเห็นโรงครัวโรงที่จัดทําอยู่เราไม่ได้เรียกว่าโรงทาน <laughs> เพราะเราเป็นโรงครัวอาหารมังสวิรัติก็จะเห็นด้วยกันลงบุญนะครับเป็นโลงบุญซึ่งทุกคนไปนั้นไปทําบุญนะฮะเป็นการคือการชําระกิเลสชาระกิเลสผู้มากินก็ตั้งใจทําระกิเลสของตัวด้วยอไม่ใช่มาสร้างกิเลสนะครับผู้ให้เนี่ยแน่นอนชําระกิเลสของตัวเองแน่นอนการประพฤติให้การประพฤติบริจาคการประพฤติทานนี่คือการชําระกิเลสของตัวเองแน่นอนต้องทําให้ถูกต้องทาให้ถูกต้อง ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูข้างหลังท่านพี่น้องที่ทมาที่สวนลุมนะครับบางครั้งไปเห็นวัฒนธรรมการเข้าแถวอาจารย์ลองมองไปข้างหลังที่ตักอาหารก็จะเห็นมีมีหน่วยอาสาในการมาทําอาหารทํากับข้าวอุงข้าวอยู่กันต้องมาก่อนเขาแล้วก็กลับที่หลังเขาจนดึกนั้นทุกคนมาเนี่ยมาก็เพราะความมาเป็นการมาทําสิ่งที่เรียกว่าสาระโควกีมาเสียสละมาทํากระบวนการมาฝึกปฏิบัติธรรมนะครับอยู่หน้าเตาอยู่ ด้วยความร้อนก็มาหันผักอันอะไรกันเตรียมกันทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ลองมาแล้วสังเกตกันดูว่านี่คือการมาปฏิบัติธรรมในการชุมนุมเพื่อให้ได้ทำถูกต้องครับต้องมาปฏิบัติธรรมนะผลง้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมชาวสองนันแหละที่มาทํางานที่นี่เราถือว่าเรามาปฏิบัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วหมายความว่าเรามีผล ทางกายวาจาก็เห็นรูปธรรมชัดมาแสดงออกทางทํางานเสียสละสร้างสรรค์ประกอบการอะไรจะไรไปใจมีกิเลสที่หวงแหนที่ยึดถืออะไรจะไรอยู่หรือไม่เป็นกิเลสลักษณะกันแล้วก็สอนกันอยู่แล้วให้อ่าให้ออกแล้วก็ล้างกิเลสนั้นล้างกิเลสนั้นจนกิเลสนั้นลดได้จริงก็เป็นผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเพรา ะ, ะนั้นผลได้ของผู้มาทํางานที่นี่เนี่ยคือล้างกิเลสตัวเอง ส่วนผู้ที่ล้างกิเลสตัวเองได้แล้วก็สบายมาทำก็ทาสบายมามีกิเลสที่จะต้องฝึกอะไรก็ทำงานแล้วก็เพื่อประโยชน์ประชาชนเพราะงั้นผลที่ได้จริงๆมันก็จะเป็นพลังเรียกว่าอินทร์พลังหรือพละพละภาษาบาลีนี่พละพลังก็จะมีพลังในการสร้างสรรค์นะมันเมื่อมีพลังในการสร้างสรรค์มันก็เป็นจริงอยู่เอาขออธิบายตุว ตัวตัวผลที่มันบรรลุซะก่อนครับบรรลุแล้วเราจะมีพลังสี่มีพลังสี่คือมีพลังปัญญามีพลังวิริยะความเพียรความขยันหมั่นเพียรมันจะมีอมันจะมีของมันจริงๆเลยมันจะไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับมันจะเพียรขยันทําไปตามถ้ามันบรรลุจริงแล้วลงตัวแล้วนะ วิริยะมันเป็นปกติของคนผู้นั้นมันเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นธรรมดานะเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรครับมันปกติเลยเป็นพลังเป็นกำลังเป็นพละงกำลังของมันเองเลยเป็นอัตโนมัตินะมีพลังปัญญามีพลังวิรยิยะมีพลังอนาอนาวัชชะอนนวัชชะหมายความว่าพลังของการงานอันไม่มีโทษครับคือการงานที่ทําไปแล้วนี่ผู้รู้ปราดท่านรู้นี่ท่านไม่ติดเตียนหรอกเช่น ชาวโสดรนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมาชุมนุมประท้วงผู้มีปัญญาท่านจะไม่ติดเตียนเลยครับท่านเห็นว่าเป็นการงานอันควรที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยถูกต้องตามมหาประเทศถูกต้องตามสัริส ร, รมเจตปการอะไรต่างๆที่อาตมาใช้อยู่เนี่ยท่านจะไม่ติดเตียนเลยที่เราทําเนี่ยผู้รู้จะไม่ติดเตียนอนนวชชัพแล้วว่าไม่ถูกติดเตียนโดยผู้รู้รผู้ที่มีภูมิปัญญาจะไม่ติดเตียนเพราะฉะนั้นการงานที่เราทําเนี่ย ผู้ไม่รู้ติเตียนแน่นอนผู้ไม่มีปัญญาติเตียนไม่เข้าใจแน่นอนเหมือนอย่างคุณ8ปดเอยู่ในติเตียนอยู่โอ้อะไรก็ดูดีตังแต่เรามาประชุมนู้นนี่ผิดพระพุทธเจ้าสอนอไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าของคุณ8ปดเกับของอาตมามันคนละคนกันของคนลองของพระองคแปดเจ็ดศูนย์หกระองหนึ่งของอาตมาอีกองหนึ่งคนละองกันอาตม า, ตตมาเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้แย้งไม่ได้แย่งอย่างพระพุทธเจ้ า, ากันไม่แย้งของอาตมารกระองค์ น, นี้แหละองค์ น, นี้ถ้าองค์เดียวกันเหมือนกันหมด แต่ถ้าไม่เหมือนกันก็คนละองก็เท่านั้นเองนะเพราะงั้นผู้ที่มาทำงานนี้โดยที่มาทำงานนี้แล้วปลาดหรือผู้รู้ท่านไม่ติเตียนเราก็ทำไปไม่จะเป็นพลังของงานที่ควรทำจริงๆเลยในนักหน้เน็เดือนนะคุณจะนึกว่ามันไม่เหนื่อยงานเนี้ยเหนื่อยครั บ, รรบแต่ว่าเราก็ต้องทำนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ควราสามสี่พลังสังคหะ สงเคราะห์แจกจ่ายเจือจานเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่ได้ต้องการสินตอบแทนอือันนี้เป็นสัจจานเลยครันี่ข้อที่สี่เป็นพลังสี่ข้อนี้จริงๆเลยครับจะเกิดพลังสี่ข้อนี้ได้คุณก็จะต้องเกิดจิตครับจิตอันนี้จะเป็นจิตที่ตั้งแต่ส่วนตัวไปจนกรทั่งถึงส่วนรวมเจ็ดลักษณะ ในศาสนาพุทในสา ร, รณร น, ารานิยธรรมหกแล้วก็มีพุทธพจน์เจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยหนึ่งสารณนิยมีใจะระลึกถึงกันเราะระลึกถึงคนนั้นะระลึกถึงคนนี้แม้แต่คนที่ร้ายเลวเราก็ะระลึกถึงเมื่อไหรเนอเขาจะเข้าใจเมื่อไรเนอเขาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหรเนอเขาจะสํานึก เมื่อไหรน่นาะเขาจะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เนาะและรึกถึงกันนะยิ่งผู้ที่ควรระลึกผู้ที่โอ้คนนี้ควรระลึกถึงเขาเขาจะควรจะมาไปบอกให้รู้นะเ อ, อคนนี้รู้แล้วแล้วก็มาช่วยกันมาปฏิบัติสิ่งดีด้วยกันอะไรใดกันก็ระลึกถึงกันหรือควรจะไปให้ประโยชน์อะไรแก่ใครครับก็สารานิยะระลึกถึงอคนรจะให้ประโยชน์อย่า ง, างพระเจ้าเนี่ย พอรุ่งเช้ามาพระองค์ก็นึกถึงแล้วว่าเราจะจะให้ประโยชน์แก่ใครก็คือไปสอนไปโปรดใครนอ้อดีควรเป็นลำดับลำดับท่านก็จะรีกทุกเชา้าครับนี่เป็นธรรมดาลเลยมีสารณนิยธรร ม, มสองปิยกรณะครับคือความรักครับความรักกันนี้ก็คือความปรารถนาดีต่อกันมีความสัมพันธ์อันดีเรียกว่าความรักไม่ใช่ความรักที่อยากจะได้อะไร ทัมพันกับใครแล้วก็ต้องได้อะไรจากเขาอย่างน้อยที่สุดก็ได้จากได้อะไรแล้วแต่เลยเอาอยับหยาบอยากได้ทรัพย์จากเขาอยากได้ลาบยศสันเริญจากเขาครับอยากได้รูปรดกลิ่นเสียงจากเขาครับอยากได้ให้เขามาเคารพนับถื อ, หอให้เขามาบูชาให้คํามาเชิดชูให้เขามายกย่องครับให้เขามานับถือดังที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ ไม่อยากได้แบบนั้นมีแต่ว่ารักเพื่อที่จะไปช่วยกันมีอะไรดีมีอะไรสัมพันธ์ควรจะสัมพันธ์ควรจะประกอบการร่วมกันให้มันเกิดประโยชน์คุณค่าด้วยกันเป็นความระลึกถึงและก็มีความรักแบบนี้สามขรุกรณะมีจิตใจรู้จักการเคารพขรุกรณาเนี่ยรู้จักการเคารพกันผู้ที่ควรเคารพควรเคารพโดยวัย ควรเคารพในความรู้ความสามารถครับควรเคารพ้วยกามความสมมุติตําแหน่งหน้าที่งนี้เป็นต้นสมมุติครับหรือควรควรในควรเคารพในอะไรกันต่างๆก็ว่าไปครับที่มันเป็นหลักเกณฑ์เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับเราก็มีการเคารพกันครับูปรูปเคารพที่เราเห็นวัฒนธรรมท่านผู้ชมอาจจะเห็นวัฒนธรรมที่ เวลาเราพบกันนะครับชาวโศกญาติธรรมพบกันก็จะทักทายกันยกมือแต่เราไม่ได้เอ่ยคำว่าสวัสดีกันเราจะบอกว่าเจริญธรรมนะครับบางที่ยาวจเริญธรรมสำนึกดีมีอาภัยอะไรของเขาเยอะเลยนะรักเราเป็นคนไทยชอบส้อยมีส่้อยสัมผัสดีมีการเคารพข้อดีสามข้อีสีสังหาเมื่อกี้อธิบายแล้วพระลาวสัง คือการมีมีน้ำใจจริงๆมีใจเกื้อกูลช่วยเหลือช่วยเหลือเฟือฟอ้องฟายเสียสละสร้างสารรค์ให้แก่เข า, าเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นข้อห้าอาวิวาทะจิตที่จะไม่ก่อวิวาทอาวิวาทะไม่ก่อวิวาทไม่สร้างสิ่งที่จะไปจะก่อวิวาทกันจริงๆเลยจิตจะไม่สร้างไม่พยายามทําอันนี้เป็นเรื่องแน่แท้เป็นเรื่องที่ผู้ใดเข้าใจและปฏิบัติได้ก็สมบูรณ์ยอดเยี่ยม มีแต่จะให้เป็นข้อห้าข้อหกครับสามัคคียะมาเป็นหมวดเป็นหมู่มาพร้อมมาเพียงมารวมกันนะมารวมกันอย่างพร้อมเพียงอย่างกลมกลืนอย่างอบอุ่นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีอะไรอไรข้อที่เจ็ดเป็นรูปธรรมครบเลยเอกีภาวะหรือเอกภาพเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพเนียนสนิท มีความควบแน่นมีความเป็นผนึกอะไรกันอย่างทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมรองค์รวมพร้อมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเอกีภาวะเป็นหนึ่งเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเห็นได้มีพุทิภาพที่เห็นได้ครับซึ่งสังเกตดูได้นะครับพ อ, อ, อมีการประชุมที่ไหนนะครับถ้าใครไปชุมนุมเป็นประจำอย่างผมเนี่ยร่วมอยู่ก็การร่วมกับกองรับธรรมก็เห็นชัดว่า พอถึงเวลาบอกกองนัพทำเข้ามาเนี่ยก็จะมีระบบการเข้ามาการจัดหมวดหมู่ความเป็นความอยู่มีการวางระบบสาธารณะระบบการบริโภคอุปโภคการใช้ซึ่งตอนเนี้ก็เริ่มมีการจะจัดตั้งระบบที่อยู่บ้านหมู่บ้านใหม่มีการเตรียมกระบวนการนี่คือลักษณะของความเป็นรูปพธรรมจัดนามธรรมเมื่อกี้ได้นามธรรมเจ็ดหลักเจ็ดหละจะมีเป็นเครื่องแสดงเป็นเครื่องชี้วัดว่ามันมีนี้จริงมันจะเป็นจริงครับ ทีนี้เป็นจริงในสารณยธรรม6ที่เกิดจากพุทธพจน์7หรือเปิดจากคุณธรรม7ข้อนี้ครับได้สารนาธรรมมันมีหก ข, ข้อหลักหนึ่งมันจะเห็นความเข้าไปแสดงออกเข้าไปตั้งขึ้นหรือเข้าไปตั้งอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมสข้อกายกรรมอะไรกายกรรมที่มีลักษณะเมตตา วจีกรรมมีลักษณะเมตตาครับมโนกรรมที่มีลักษณะเมตตานี่สามข้อแล้วหนึ่งสองสามกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาข้อที่สี่เมื่อมารวมกันแล้วก็ต้องทํางานสร้างสรรค์ขยนันจะมีพลังเสียงที่ว่าพลังปัญญาพลังทำพลังภาคเทียนพลังอนัตวะชาทำงานและก็สังคหะนั่นแหละมันก็จะเกิดผลผลิตเกิดแรงงาน เกิดอะไรขึ้นมาในสังคมเกิดการสร้างสรร์เมื่อเกิดการสร้างสรร์ขึ้นมาหลักสาธารณโภพคีก็ไปของส่วนกลางครับสิ่งที่เกิดผลท่านเรียกว่าเป็นลาภธรรมิกาหมายความว่าลาบที่เกิดโดยสัจธรรมลาบที่เกิดโดยธรรมเกิดด้วยความเป็นจริงเกิดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อเกิดขึ้นมาลาบเหล่านี้ เป็นสาธารณโพคีเป็นของส่วนรวมครับลาบที่เกิดโดยธรรมที่ร่วมกันสร้างร่วมกันทำเนี่ยเรียกว่าลาพระธรรมิกานี้เป็นของสาธา ร, รณเป็นสาธา ร, รณโพคีนี่คือข้อสี่ของสารณิยธรรมขออนุญาตพระครูทำความเข้าใจลูประธรรมนิดหนึ่งถ้าทุกครั้งถ้าใครได้เห็นกองพัะธรรมออกมา จะเห็นสาระโพคีที่ชัดกับผมมักจะยกอยู่เสมอก็คือโลงบุญ เ, เราเรียกว่าโลงบุญจะเห็นได้ชัดว่าบางครั้งผมแรกๆก็ภรรยาชวนไปทานอาหารมังสวิรัตที่โงบุญ ก็ไปลงบุญแต่ไม่ได้คิดหรือตั้งสติว่าแล้วมาได้อย่างไรความเป็นมาเป็นมาอย่างไรวันนี้หลายคนจะอาจจะเริ่มเข้าใจนะครับว่าโรงบุญตั้งมาเนี่ยก็เพราะเป็นข้อนี้แหละครับข้อที่ชัดเจนที่สุดนี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอามารวมกันจึงเอาสามารถที่เอามาเป็นของสาธารณะแล้วเปิดให้กับสังคมภายนอกได้มาร่ว ม, วมใช้ด้วยกับส่วนเกินของชุมชนของหมู่เราชาวอโศกครับ นี่มันจึงเป็นเกิดลักษณะของสาธารณภคีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเป้าหมายการชุมนุมของเราเนีจะเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณภคีมาแสดงก็เป็นสัจจะที่เรามีของจริงอันนี้เราก็ามาแสดงอยู่กับจริงอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปทำได้แล้วก็พิสูจน์ายย ม, ามาแล้วหลายยกมาพิสูจน์มาแล้วหลายยกก็ทาํามาครั้งนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแหละ go on and see out <laughs> ทำไปเรื่อยๆแหละนันก็จะแสดงความจริงนี้โดยอีกสองข้อหนึ่งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาสองวัจีิกกรรมประกอบด้วยเมตตาสามโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 4. รลาบที่ได้โดยทมนั่นเป็นสาธา ร, รนาโพคี 5. ศีลสามั ญ, ญตาหทิฏฐิสามัญตาซึ่งอาจจมาอธิบายไปแล้วคือมีหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ของชาวโศกบอกแล้วอธิบายไปบางแล้วว่าเข้ามาอยู่ในที่นี้นะขอร้องหนึ่งไม่มีอบายมุขสองไม่กินเนื้อสัตว์ครับถ้ากินอยู่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์สามีลห้าเป็นพื้นกรุณาอ่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่ามาแสดงอาการกามที่เลยเถิดอะไรไปมากกว่า น, นั้นครับนาอย่าปดสี่อย่าพูดปดห้า ไม่มีอบายมุกนั่นแหละอย่าเอาอบายมุกเสพติดของหยาบได้ว่าสุราสุรานี่คือความความกล้านกล้าแปลว่ากล้าสุระสุระสุร า, ร า, ราแปลว่ากล้านกล้าเมรยะกับขั้นรองมัชชะขั้นปลายลาาสุระเมรยะมัชชะสามขั้นเพราะนั้นคุณยังเมามายคุณยังติดยึดคุณยังงมงายอยู่กับของหยาบนั้นขอไว้ เข้ามาที่นี่ขั้นลาขอให้เลิกคุณยังมีเมาอะไรมั่งนิดหน่อยติดออยู่บ้างในระยะในในระดับเมระยะในระดับมัชชะไม่มีปัญหาเราไปคนละระดับระดับต้นขอไว้ยาวันนี้ค อ, อ ย, ยให้มีในที่นี้นี่เป็นต้นส่วนพุทธปฏิบัติได้แล้วพ้นจากสุระสุราก็มันเลิกเมระยะมนเลิกได้อีกละบนอี ก, อกเหลือมัชชะก็ล้างมัชชะความเมาความติดความยึดระดับละเอียดหมด คุณก็เลิกเมาเลิกติดเลิกย็ดคุณก็เป็นอรหันนั้นเองนี่เป็นสัจจะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนระวังทฤษฎีวางหลักกานเอาไว้ให้ทําปฏิบัตินะเพราะงั้นเราทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมามาเปิดเผยมาทําให้ประชาชนได้รับเห็นรับรู้ว่านี่เป็นอากาลิโกครับเป็นเอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ไม่จำกัดกาละยกอาการิโกมันเป็นไปได้ยากนะแม้เป็นไปได้ยากก็ทำได้ทนได้ยากก็ทนได้มีได้ยากก็มีได้อะไรเนี่ยมันมีอยู่สามสี่ข้อที่บอกว่าทนได้ยากท ำ, าทำตามได้ยากอะไรได้ยากอีกอะไรสามสี่ข้อจะมาจำไม่ได้ละแต่เราทำได้ เราก็เอามาทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะพอเราเอามาทําอย่างนี้ก็เกิดผลให้รู้ว่านี่คือความเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ า, าในจุดต่างๆที่พักของพี่น้องชาวโศกนั้นก็จะอยู่กันอย่างง่ายๆเป็นเป็นกระโจมอยู่กันอย่างง่ายๆเรียบง่ายไม่แบกไม่ลุงลังไม่มีสรรพสิ่งอะไรมากมาย นะครับอยู่กันอย่างคือท่านลองสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านถ้ามาที่นี่จะลองสังเกตดูสายตาเขาบอกดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจลองมองดูพี่น้องชาวอโศกนะครับแต่อย่าไปอยากดูอะไรในดวงตาลึกๆนั้นว่าเขารักเราหรือเปล่าวะเป็นกามนะนี่ชอบนักมองเข้าไปในดวงตาเนอะระวังเธอที่นี่เราไม่แล้วนะชาวโสมเราไม่ส่งเสริมเพราะว่า คนมันจะล้นโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เราถือศีลแปลดได้นี่ดีที่สุดของชาวโซเราเห็นว่าเป็นอารมการณ์เป็นอารมคติที่ดีว่าเราอย่าไปแต่งงานเลยละกิเลสเถอะมันเกิดจากกิเลสพอละได้แล้วไม่ต้องแต่งงานได้นี่พระพุทธเจ้ากสอนนะคผู้ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใฝ่ในคนคู่ฝักใฝ่ในการจะต้องมีคู่แต่ต้องแต่งงานนี่ท่านท่านเรียกว่าจักเศร้าหมอง อืมครับจักเศร้ามองครับถ้าไม่ว่าไม่ว่าอะไรหรอกฉันว่าจากเศร้ามองก็ถ้าไงลองดูง่ายๆครับลองดูท่านที่สูงอายุหน่อยญาติทําสูงอายุหน่อยครับสายตาท่านมาอยู่ที่นี่ท่านทํางานทั้งวันไม่เคยอ่อนล้าเลยนะครับผมมารอบนี้เนี่ยผมครู้สึกว่าผมพบหลายๆท่านที่มาจากบ้านล่านก็ดีจากใต้ก็ดีนะครับจากหลายๆที่ครับผมมีความรู้สึกว่า โอ้ไม่อ่อนล้าเลยสายตาแม้แม้ถ้าโดยอายุอานามไปไกลแล้วแต่สายตานั้นเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่ามีกรมมนิโยมีพลังมีการงาน ม, มีการปฏิบัติงานลองดูกันนะครับนี่แหละครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมกองทัพธรรมถึงออกมาร่วม ร่วมชุมนุมเพราะอะไรแล้วการชุมนุมนั้นได้อะไรนอกจากได้มวลก็คือจํานวนที่ออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามาร่วมกันวันนี้ทําไมพวอครูถึงตัดสินใจมาร่วมกับเวทีนี้นะครับในสิ่งที่มาร่วมกับเวทีนี้เพราะอะไรแล้วจะเดินหน้าความเป็นไปเช่นไรชัยชนะกับไม่ชนะนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นที่สำคัญมองแล้วเราไม่มุ่งหมายเรื่องนั้น<ต>เราทำให้มันสิ่งที่ดีเกิดก้าวหน้าไปถ้าเห็นว่าสิ่งที่ดีมัน ไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเราก็พักก็เลยแต่ถ้าพบวันสิ่งที่ดียังเกิดดีอยู่ได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้จะเริ่มทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทําไมชุมชนอโศกถึงเวลาพอมาร่วมชุมนุมสามารถที่จะเอาลงบุญออกมาร่วมได้นะครั บ, รบพวกเราไปทานอาหารก ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาร่วมบริจาคเลยมาทำฟรีอะไรฟรีอยู่ฟรีจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมถึงฟรีกันได้ทําไมถึงอยู่กันได้ทําไมพ่อครูถึงอธิบายได้ว่ายาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงหลายคนอาจจะตกกังวลว่าโอ้โหอย่างนี้มันจะอยู่อีกยาวนาะกว่าจะอะไรขึ้นมานะแต่ชุมชนอศพพ่อครูบอกว่ายาวเท่าไหนเราก็อยู่ได้เพราะว่าระบบสาธารณภูคีนนั้นจะพยุง ความเป็นไปแล้วทุกคนเมื่อเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าอ๋อวันนี้ถ้าเรามาร่วมเราจะควรจะสร้างการชุมนุมในรูปแบบอกองทัพประชาชนที่เป็นนิโ p r o t e s กันในรูปแบบนี้ที่เปลี่ยนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะไปเข้าสู่คําว่าทำย่อมชนะอธรรมหรือเปล่าครับพระครูครับแน่นอนทำย่อมชนะอธรรมนะั้นเป็นสัจจะที่ไม่มีไม่มีการแย้งได้ใครแย้งคนนั้นยังไม่เข้าใจอยู่เท่านั้นเอง ถ้าคนที่เข้าใจชัดเจนทะลุแล้วแย่งไม่ได้เราธรรมะชนะอธรรมครับนทีนี้ที่อาตมาอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราพากันทำเนี่ยับเราเรียกว่าการเมืองหรือไม่เราเรียกว่าธรรมะหรือไม่คําว่าการเมืองก็ดีภาษาคําว่าการเมืองภาษาคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ ทรงไว้ตั้งแต่รูปธรรม ท, ที่เป็นองค์ประกอบประกอบปดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นร่างเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรตอะไรที่สัมผัสได้ทางตาหูจมูกริ้งกายนั่นคือรูปธรรมข้างนอกที่สามารถที่จะเห็นจะรู้นะมันทรงอยู่อย่างดีอย่างพอเหมาะพอสมครับไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเอาเปรียบใครและก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วย ไม่ไปกระทบอื่นกระทบตนกระทบท่านไม่กระทบเปียนเปลียนอะไรใครเป็นทรงสภาพอยู่ดีครับทีนี้ถ้าผู้ใดที่มีธรรมะเนี่ยหมายความว่าผู้นั้นทรงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความมีมีสิ่งประเส ร, ริฐมีสิ่งที่ดีงามเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นมีสิ่งที่ประเสริฐมีสิ่งที่ดีงาม จากตนเองตั้งแต่จิตมีสิ่งดีงามในจิตวจีมีวจีดีงามรกรรมต่างๆเรียกว่ากรรมมันตะทั้งจิตวจีและกายกระทําทางกายรวมกันทั้งหมดเรียกว่ากรรมมันตะออกไปเป็นองค์รวมเป็นกายวินยตเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชุมกันเรียกว่ากายะมาจากจิตและวก็วจีและก็กายกรรม รวมกันหมดทั้งสนี่เรียกว่ากายยวินยัตเป็นองค์ประชุมของความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เห็นได้ปรากฏได้นะเพราะงั้นใครรู้อันนี้เห็นอันนี้เรียกว่ารู้จากกายยกวินยัตก็จะสามารถเห็นได้ว่าในความเคลื่อนไหวของการกระทําทางกายวาจามโนของคนที่มาทําอยู่เนี่ยอย่างชาวโซลมารมอยู่นี่หรือคนที่มาร่วมกันทําช่วยกันทําต่างๆนานา น, านี่แหละแต่ละคนแต่ละคนคนละมากคนละมือคนละเล็กคนละน้อยคนละมากอะไรแล้วแต่ก็จะเกิดรูป แบบองรวมเป็นพุตติภาพรวมเกิดเป็นองค์รวมขึ้นมาในรูปองค์รวมนี่แหละผู้มีดวงตาผู้มีปัญญาเห็นแล้วจะรู้สึกว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พาเจริญสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พาพาทำลายทำให้เสื่อมทำให้พลาญเพล่าอะไรไม่ใช่สิ่งนี้ทำให้เจริญทำให้พัฒนาก้าวหน้า ทั้งในรูปธรรมและในนามธรรมครับผู้มีปัญญาจริงๆจะเห็นได้ถ้าเราอยู่ในสังคมคนโง่ขออภัยนะพูดชัดๆคนไม่มีดวงตาไม่มีปัญญารู้ความถูกต้องดีงามที่เป็นสัจธรรมเรียกว่าดีคืออะไ ร, รที่เป็นธรรมะคืออะไรอธรรมเป็นอะไรเขาไม่รู้นะแน่นอนเขาเห็นแล้วเขาก็เห็นขัดหูขางตาเขาก็อ่านไม่ออกเขาก็ รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เขาก็ทําลายอืแต่ถ้าอยู่ในสังคมที่เขามีดวงตามีปัญญารู้อันนี้สิ่งดีอย่าไปทําลายเขานะครับอย่าไปอย่าไปต้านเขาครับอย่าไปทําลายและอย่าไปต้านอืมครับคนส่งเสริมครับผู้มีดวงตาผู้มีปัญญาเขาจะรู้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเกิดได้ด้วยสัจริธรรม ขเขาจะเห็นว่านี่อย่าไปต้านอย่าไปหยุดยั้งเขาครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อมวลมนุษยชาติเขาไม่ได้ทําเพื่อเห็นแก่ตัวเขาไม่ได้ทําเพื่อของตนเอง<ข>อแต่เขามาทําเพื่อสังคมและสิ่งที่เขาทำนี่นเป็นสิ่งที่สร้างสรรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีงามอืมครับคนมีดวงตาชัดเจนอันนี้เขา <อ S 2> จะไม่ต้านเขาจะไม่ทําลายอ <Euros. S 2> ืมนะเขาจะส่งเสริมครับพผู้ทําครับ พอพูดอย่างนี้พอดีผมมองเข้าไปด้านหน้าเวาทีมีหน้ากากขาวด้วยผมผมก็เลยมีความคิดว่าภาพของของผู้ที่มารวมหลั่งไหลมารวมกันภายใต้กากหน้ากากนี่มันเหมือนเป็นธรรมสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมใ น, นความหมายนาในความหมายของรูปประทับที่มันออกมาแล้วต่างคนต่างมาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีผู้นําไม่ต้องมีแกนนําแต่มาด้วยความเป็นธรรมมาด้วยาการมองเห็น มองเห็นความเป็นไปความดีความงามเหมือนที่พ่อครูอาาธิบายนี่คือรูปธรรมที่มันกาลังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ส่วนหนึ่งที่ที่มันเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับในเชิงมิติยังเป็นรูปธรรมที่บอกว่าใช้คําว่าน่ากากเพราะว่าในสังคมมันมีคนที่เพ่งโทษและก็ยึดครับไอคนนี้คู่ศัตรูกูนิวาอ่มไอตรงนี้คนบอกว่าคนบางคนก็บอกว่ายังมีความละอายมไม่อยากให้คนรู้คนเห็นว่าเราจะไปทําันนี้ทํานี้ มันมีอะไรซับซ้อนหลายชั้นครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมาอยากจะออกมาร่วมวันนี้แต่ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากจะให้หนึ่งคู่ศัตรูรู้พว่จะมาทําลายสองตัวเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่อยากโชว์ตัวกลัวจะกระทบกระเทือนอส่วนนั้นส่วนนี้ของตนเองอะไรก็แล้วแต่ก็เลยอปิดบงังพลางๆไว้ก่อนหน้าโใช้หน้ากากใช้อะไรก็เป็น ถึงสิ่งซับซ้อนที่ต้องใช้ในโอกาสบางโอกาสถ้าผู้ใดที่เขาไม่มีความซับซ้อนอันนี้ในใจของเขาก็เปิดสบายเขามาทําเต็มที่ เ, เปิดเผยไม่มีอะไรจะต้องใส่ต้องอะไรล็รอกเหมือนอย่างพลเอกปรีชาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปใส่แล้วหน้าโขนากากอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็ออกมาเปิดเผยก็บอกกันเต็มๆตรงๆเลยอะไรเงี้ไปหรือคนอื่นๆจะมายกเว้นนะไม่ได้กล่าวถึงก็ขออภัย ออเอ่อเมิร์กเมิร์กลเอปรีชานี่แหละคือไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใจเป็นเรื่องดีรเราไม่ได้ทําสิ่งที่เลวเดี๋ยวเลวซ้ำแล้มีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรเรามาทําสิ่งที่ดีอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องไปบังไปปิดอะไรและลึกๆก็คือไม่ได้กลัวเสียเลียศเสียศักดิ์ศรีอะไรเลยมันเป็นเรื่องดีมั่นใจว่าสิ่งที่ดีเพราะงั้นคนนี้ไม่ต้องมีหน้ากากก็ได้แต่คนที่ยังมีอันนี้อยู่หลายหลายเหตุปัจจัยแล้วก็เข้าใจก็เห็นใจเหมือนกัน ก็ใส่เถิดไม่ว่ากันจะใส่หน้ากาก็ไม่ว่ากันเอาจริงก็ต้องเข้าใจค น, นคเพราะเหตุปัจจัยหลายๆอย่างคนเรามันมันมีข้อจํากัดของใครที่ไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีแล้วก็จบไปสิได้ก็ดีคนที่ยังไม่ได้ให้เขาเขาก็อยากมาช่วยไงเขาก็อยากมาแสดงไงต้องให้ต้องเอาต้องเป็นต้องมีเพราะงั้นก็ออกมาทําได้มารวมได้มีการเขียนของหนังสือพิมพ์ลงคอรัมหนึ่งวันนี้ครับว่าพ่อครูอยากจะให้ การชุมนุมทั้งนี้เป็นการฝึกการสลายอัตตาตัวเองพด อ, อัตตาตัว เ, เองครับพครูครับสุดยอดเลยเราคิดอะไรเล่มสองร้อยเจ็ดสิบแปดเล่มหน้าหลังจากเป็นเล่มของเดือนกันยายนเดือนนี้เดือนสิงหา ย้ อ, อกเดือนกันยาจะมาเขาต้องทําหน้าปกนี่เขียนล่วงหน้าไว้ให้เขาเสมอเลยครับไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันเวลานั้นเนี่ยมันจะอัปเดตกับเขาหรือเปล่าแต่ต้องทําล่วงหน้าไว้เรื่อยเลยอันนี้ก็ต้องทําไว้ล่วงหน้าครับอ่าเป็นบทกวีของหน้าปกหนังสือเราคิดอะไรเล่มหน้าก็คืออัตตา ก, ก็คือตัวตนคนเรามีตัวตนก็เห็นแก่ตัวตนของตนเองอย่ทังนั้นยาตลางละเอียด พระพุทธเจ้าในสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องเรียนรู้แล้วก็กำจัดความเป็นอัตตาอย่างกลางละเอียดเป็นสมขัน้นท่านมีโอ้โหลึกซึ้งาอาตมาขอบอกชื่อไปผ่านไปก่อนนะผู้ใดเคยได้ยินแล้วก็เอาไปศึกษาต่อหรืผู้ที่ศึกษาต่อขับทำความเข้าใจเพิ่มผู้ใดยังยังไม่เคยได้ยินก็ฟังไปผ่านหูไปก่อนก็แล้วกันหนึ่งโอราริกอัตตา 2. มโนมยอัตตาสา รูประอัตตาเป็นอัตตาสามอัตตาแปลเป็นภาษาไทยว่าตัวตนมันมีตัวมันมีตัวมีนมตม น, ม, ต ม, น ม, ตมันมีอะไรสภาวะอันหนึ่งของตนเองยึดอยู่เพระอาจารย์ผู้ใดยังยึดอัตตาสามนี่อยู่นี่ต้องศึกษาว่าเอออันนี้โอราริกะก็แปลว่าอย่างหยาบหยาบโอโรานโอรานเนี่ยโอรานฝากไว้ก่อนเธอโอรานเนี่ยโอรานแปลว่าอย่างหยาบอย่างใหญ่โอราน โราดิกะสิ่งที่หยากใหญ่ก่อนมันเป็นอัตราที่อยากควารูข้ของตัวเองนะเลิกลางละยึดติดในสิ่งเหล่านี้เช่นไ อ, อย้ยางยาบนี่นะยังยึดว่านี่เป็นที่ดินของกูนี่เป็นทรัพย์สลินคาาของกูนี่เป็นอำนาจของกูนี่เป็นยศศัก์ฐานะของกูเราไปเบ่งเอาไปเอาไปเบียนเบียนผู้อื่นเอาไปข่มผู้อื่น อ่าอันนี้แหละเรียกว่าอัตตาหยาบอ่ตาตาหยาบนี่พูดรายละเอียดอือน่นอีกเยอะแยะภายนอกที่มันเป็นของหยาบนี่ลาบยอดชั้นเซิญต่างๆนี่ของหยาบนี่คือโอราทิกอัตตาจิตเรายังยึดถือสะสมแล้วก็เอาไปเป็นอํานาจแบ่งเอาเงินไปแบ่งเอาเงินไปจ้างเอาเงินไปทําให้คนทําชั่วอคือคนเดิมเลวนี่นะมีเงินแล้วก็จ้างคนไปทาชั่วครับ แล้วเอาไปให้คนไปทําชั่วแทนตนด้วยนะตัวเด้งนั่นเป็นต้นต่อการคิดให้ทําชั่วอ่าเราเป็นคนเราเป็นคนพูดคุณเป็นคนทำเป็นคนสกไกาอีกคนนึงก็ไปเผาบ้านผับเมืองอะไรเงี้ยตอมันจะใกล้ไปเกินมันจะใกล้เกินไปอ้าน้าคนนี้เป็นคนคิดคนนี้เป็นคนทําแล้วกันอย่างเงี้เป็นต้นให้คนคิดนั่นแหละให้เขาไปทําชั่ว ให้เขาไปเบียดเบียนให้เขาไปทําร้ายแล้วตัวเองก็แหมทําเป็นตัวสะอาดชั้นปล่าฉันไม่ได้ทําอะไรนะฉันคนนั้คนโน้นน่ะมันจะผิดจะชั่วอะไรคุณรับไปเป็นตัวหนะ้าคือมีทั้งอํานาจมีทั้งเงินทองไปจ้างพวกนี้แล้วคนพวกนี้ก็เป็นทาสงอกงอกงอกงอกทำตามคนคิดแล้วก็สั่งแล้วก็บอกอครับอันนี้เห็นอยู่รู้อยู่อก็ทํากันไปนะ แต่ในแนวลึกเขาจะไม่ทํางี้สรุปโอราทิการตาในเรื่องหยาบมันมีซับซ้อนเยอะอาตมาธิบายตัวอย่างไปอย่างงี้ฟัง <c oughs> แล้วก็รู้จิตของตนเรียงเรียกว่ามโนมยัตตา <c oughs> คือจิตเราจะต้องยังยึดอะไรอยู่ยึดทั้งภายนอกยึดจังภายในมโนมยะสําเร็จด้วยจิตมโนมย่พแปลว่าการสําเร็จด้วยจิตมันก็ยึดอยู่แม่ไม่ยึดข้างนอกแล้วแต่ยังยึดข้างในอยู่กันเป็นมโนมยัตตา ยังยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้ยึดอย่างโนนข้า ง, งนอกมายึดแล้วนะแต่ใจยังยึดอยู่คุณก็ล้างความยึดนั้นต่อครับจนกระทั่งมันเหลือ น, น้อยเรียกว่าอารูปอครับอัตตาขั้นอารูปแล้วอารูปะอัตตาคนก็ล้างอรูปนั้นหมดหมดอัตตาอารูปสุดท้ายคุณก็หมดอัตตาหมดตัวตนเลยหมดตัวตนก็คือไม่เห็นแก่ตัวครับไม่เห็นแก่ตัวตนคนไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละคือพระอรหันต์ บริบูรณ์สุดพอเลิอกอัตตาที่เป็นเอาราธิกาอัตตามาได้เป็นขั้นๆก็เป็นสุดาบันและก็มาเรียนรู้มโนมยอัตตาและก็ล้างต่อล้างต่อเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีจนสุดท้ายหมดอรูปอัตตาก็เป็นอรหรันต์นี่คือคําว่าอัตตาอ้าวลองฟังกวีบทนี้ดูเห็นแก่ตัวอันนี้มันลึกซึ้งหน่อยอันนี้บอกกวี น, นี้ลึกซึ้งหน่อยลองฟังตั้งใจฟังนิดนิด เห็นแก่ตัวหรือที่แท้เห็นแก่ใครชื่อชื่อบทกวีว่างั้นเห็นแก่ตัวหรือที่แท้เห็นแก่ใครอ่าอา้าวเดี๋ยวคนดูซิอินเสิร์ตไปให้ทั้งบ้านฟงังไม่ต้องดูหน้าดูตาธรรมาก็ได้เสียงอาตมาดีอยู่หนึ่งบทที่หนึ่งตัวที่เห็นแก่นั้น คือใดตัวนี่แหละอัตตานี่แหละตัวเนี่ยตัวที่เห็นแก่นั้นคือใดเห็นแก่ตัวคือใครที่แท้โอทั้ทงนั้นมันยังไม่ได้ถ่ายเอาไว้เหร อ, <c oughs> อที่ท่านแดนแทนดินที่ท่านนนมีอยู่รู้เปล่า เอ๊ะทำไมยังไม่ได้ถ่ายเลยมันใหม่สดจนกระทั่งยังไม่ได้ถ่ายกันเลยเลยอาตมาก็ว่าให้ไปแล้วนะแมแต่งเสร็จตั้งแต่วันที่เก้าสิงหาคมเนี่ยวันนี้มันตั้งหลายวันแล้วนี่อ่าอ้าวอาเธอทั้งนั้นโอ้รับไปแต่ทิ้งอยู่บัรดาลบัโถแมคนทำงานรับไปแต่อยู่บัรดาชแม่ เอาเอาไปจ่ายก็ได้ที่นี่เอามีมีมีที่นี่เยอะแยะเลยเอาไปถ่ายได้ออกทันเนี๋ยถ่ายปุ๊บถ่ายปั๊บเลยก็ออกปุ๊บออกปั๊บเลยสดสดเลยพวกเรานี่ไม่ได้เราของเราพวกเรานี่ต้องสดสสดเท่าไหร่ยิ่งดีนะเอาเป็นไหนหมดละอ่านี่หลายแผ่นเอาเอาไปเลยเอาไปถ่ายเอาเอาใครมารับไปเร็วโอ้ยมีแต่ไอแผ่นที่แก้แ่แผ่นที่เรียบร้อยแก้ไขพิมพ์เป็นตัวสอนที่ไม่ต้องแก้คำหมดแล้วเนี่ยไม่เจอเลย อาไม่เป็นไรไม่เจอเอาคำที่แกนี่ไปบทที่แก้นี่ไปก็ได้เอาไปทาย น, น, นั่นจะได้ออกทางบ้านดูมาแทนที่จะดูจะหน้าตาธรรมาที่จริงก็หน้าตาหลอ่อพอดูได้อยู่หรอกแต่ว่าก็เท่าเธอไม่ต้องเห็นหน้าธรรมาประจําก็ได้ไม่เป็นไร <laughs> พูดให้มันไส้ไปงั้นแหละนะ <laughs> อา้าวต่อตัวที่เห็นแก่นั้นคือใดเห็นแก่ตัว คือใครที่แท้เห็นตัวจากที่ใดฉนะไหนเห็นตัวจากใดฉนะไหนจึงประจั์ตัวนาคนชั่วแก้ตัวอไอ้ตัวตัวนี้แก้เก่งนัก <laughs> คนชั่วแก้ตัวแม้ผิดก็หลอก ตนคนชั่วนี่แก้ตัวแม้ผิดก็ไม่รู้เรื่องหลอกตัวเองอยู่เรื่อยผิดตัวผมไม่ผิดคนที่ผิดคือคนที่ตัดสินว่าผมผิดนั่นคือผิดอสองคนคือคนในะนะอัตตาเนี่ยคือคนที่ไม่รู้อัตตาสามต้องอยังรู้รูปนามอัตตะแท้ตัญหาแรก คือการโอราดิกะอัตตาเหยมโนมยะอัตตาและอรูปด้วยอัตตาสมนะคือโอราดิกะ อ, ะอัตตามโนมยอัตตาและอรูปเนี่ยอัตตาสบทที่สามรูปนามสามอัตตนี้คือตัวการเลยนะคือตัวการเลย ใครยึดตีนยึดยันหัวใครยึดตีนยันหัวอัตตะแท้อัตตาหรืออัตตาคำเดียวกันเนะ่ยเลวตํายาบอกกลัวนรกสักกายใดสักกายนี่คือองค์ประชุมของตัวเองสักกะแปลว่าตัวเองนะมันก็ยึดเป็นตัวเองในะตัวตนนั่นแหละสักกะก็คือตัวตนสักกายะนี่คือองค์ประชุมของตัวตน เลวตำยาบอกกลัวนรกสักกายใดเห็นแก่ตัวนั่นและบงชี้ตัวกูบทที่สี่ไม่ต้องดูอื่นให้ยาวความแรกเริ่มกูเกิดตามกูเกิดกาม แรกเริ่มกูเกิดกามอตตรายเห็นทุกขณะตามทันเกิดเถิดเทินพยายามเห็นตัวกูนี่เกิดตัวตัวตัวตนเนี่ยกูมันเกิดขึ้นมาก็เป็นตัวเราตัวกูตัวของเราตัวของฉันตัวของกูนี่แหละเห็นให้ได้ทุกขณะเถิดให้มันทันตัวสัตว์อุบัติคลายเทพล้วน หลอกกูพราะฉะนั้มันอุบัติเป็นเทวดาส่วนใหญ่เลยมันมันอุบัติขึ้นมานะมันก็มันเป็นเทพแต่มันเป็นสุคัิกามันเทวดาสมุติเทพมันหลอกตัวเองทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวหลอกทั้งนั้นเลยเป็นสมมุติเทพเท่านั้นต้องมาเรียนรู้เทพอีกชนิดหนึ่งกูบัติเทพนะเดี๋ยววันหลังอัตมาก็คงจะได้อธิบายที่นี่แหละสมมุติเทพอุบัติเทพวิสุทธิเทพน่ห้าไม่รู้ กูจึงได้โง่อเองเห็นแก่กูบอกรงหยาบกร้านพรางซ่อนแอบลวงละเลงเสียบใส่กันเลยกันแลหลอกอยู่นอกแต่บอต้านหลอกร้ายตัวเป็น <imir> ตัวเองนี่มันหลอกท้ Them, ตัวเองร้ายอยู่เนี่ยเป็นตัวเองนั่นแหละเป็นแต่มันไม่ไม่ไม่ไม่หลอกอยู่ข้างนอกแต่บบกต้ามท้องตัวเองน่าไอหลอกร้ายตัวเองที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ไม่รู้จักต้า น, นตัวเองเห็นแก่ตัวนั่นแท้กูเองหลงโลกจึงหลงแสงดิ่งสู้ใครรู้จักไหมคําว่าแสงนี่แปลว่าอะไรแสงแสงกัน รู้ไหมเสงแปลว่าแอบบแบบแบบะไรแปลว่าอะไรแข่งเสีงแปลว่าแข่งหลงโลกจึงหลงเสง็ดิ่งสู้โทษใครก็ถูกเพงบดอดโทษตนเลยโทษที่คนอื่นก็หมดถูกทั้งนั้นแต่ไม่โทษตัวเองกิเลสงำ่ำรูจกง่ำไหมงำ่ำ เหมือนสัตว์เนี่ยมันง่ากิเลสง่าจนไม่รู้มืดด้วยอวิชากิเลสมันง่าเอาง่ําเอาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเองบทที่เจ็ฆ่าคนอื่นฆ่าในคอระคังสละอาไม่อเอกฆ่าคอระคังนะฆ่าคนอื่นที่แท้ฆ่าตน ได้แก่ตัวใช่คนอื่นได้เพราะใครไปฆ่าใครก็แล้วแต่ตัวเองนั่นแหละได้คนหถือไม่ได้หรอกคุณไปฆ่าใครก็แล้วแต่คุณไปทำร้ายใครก็แล้วแต่คุณนั่นแหละได้ได้อะไรไม่บอกปิดไว้อย่างนั้นน่ะอาจจะมาไม่บอกใครคุณไปฆ่าใครคุณไปทำร้ายใครคุณได้ไม่บอกได้อะไรไม่บอกให้ง่ไว้่งั้นน่ะอ่า คุณไปฆ่าใครก็เถอะคุณนั่นแหละไ ด, ได้ชื่นชอบลาบยศผลก็กิเลสอ้วนแห่แต่ไปรู้ชาติใกล้เกิดแล้วอัตตกูทั้งนั้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นเขาอาจจะไปชื่นชอบในลาบยศได้ผลโมได้ลาบมาดีใจได้ยศปาดีใจได้สนเสริมมาดีใ จ, ใจกิเลสอ้วน เรียกว่าปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าโตแปลว่าใหญ่ทั้งนั้นแต่ไปรู้ไม่เคยรู้เลยว่ากิเล่มันเกิดชาติใกล้ชาติคือการเกิดกิเล่มันเกิดมาใกล้แล้วว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอัตตากูก็ไม่เคยรู้เรื่องเลย น, นี่คือกวีบทที่จะขึ้นหน้าปกเราคิดอะไเล่มหน้าอาจจะลึกหน่อยยากหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะทําไงตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องให้รู้กันชัดๆครับ ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่คนปฏิบัติประพฤติตนเองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเลิกทุ่มเสื <c oughs> ้อผก็มีแต่การสร้างกิเลสให้แก่ตัวเองตลอดเวลาอะให้คุณหนึ่งแผ่นสร้างกิเลสให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้ว่ากิเลสตัวตนหรือว่าอัดตานี่เละเป็นตัวร้ายวันนี้เนี่ยขอพูดชัดๆ ตั้งใจฟังยาไปเข้าใจผิดว่าอัตมากําลังว่าแต่ที่จริงกําลังว่าอเอย่าเข้าใจผิดว่ากําลังว่าเพราะที่จริงกําลังว่าขณะนี้นี่การชุมนุมประชุมพร้อมกันอะไรกันแล้วแต่ในประชาชนคนไทยขณะนี้เนี่ยมันมีความรู้มันมีปัญญาเข้าใจอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไร สิ่งที่ควรขจัดคืออะไรครับรู้ร่วมกันมากอยู่แล้วในไทยขณะ น, นี้และคนที่รู้สึกว่ามีใจต่อสังคมประเทศชาติคนที่มีใจต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยหลายผู้หลายคนผู้ที่มีทุนทางสังคมผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือทางสังคมก็ดีเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นแอคทีฟิสต์ในทางสังคมหลายผู้หลายคน รู้ตรงกันหมดแล้วว่าอะไรควรขจัดครับแต่มารวมตัวกันไม่ได้เพราะอัตราตัวเดียว ม, มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยครับทำอย่างไรนี่จะจะลดตัวเองจะลดตัวตนคุณเก่งก็ยอมรับ้วว่าคุณเก่ง แต่ยอมตัวตนอย่าไปยึดว่าของฉันต้องถูกของฉันต้องดีฉันไปรวมกับคุณไม่ได้คุณต้องมาหาฉันฉันไปหาคุณไม่ได้เพราะว่าฉันใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับฉันลดตัวเองไม่ได้จะต้องคุณนั่นแหละต้องลดมาหาฉันฉันยอมคุณไม่ได้คุณต้องยอมฉันครับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดโดยตอนนี้เนี่ยมันรวมตัวกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขา รวมตัวกันได้ด้วยอำนาจเงินอำนาจของอำนาจอำนาจของทุจริตอำนาจของการบังคับค บ, บังคับด้วยอะไรก็แล้วแต่หนึ่งบังคับด้วยยศชั้นสองบังคับด้วยการที่จะต้องปูนบาเหน็จถ้าคุณไม่ทาตามยายคุณไม่ทาตามปลดคุณไม่ทาตาม เสียลาบยศสันเสริโนกีสุบเสียโลกธรรมเป็นอำนาจเหล่านี้แหละมันข่มคนอยู่ทุกวันนี้ผู้เป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปก็คือผู้ที่ตกอยู่เป็นทาสของผู้ที่เขาใช้อำนาจนี้อยู่ขณะนี้น่าสงสารบางทีก็ไม่น่าสงสารเพราะว่ามันหลงไอ โลกธรรมมากเกินไปแทนที่จะเห็นแก่ปวงชนประชาชาติแต่กับเห็นแก่ลาบยศสรรเสริญของตัวเองมากเกินไปก็น่าสงสารที่โง่เป็นทาสเล่าโลกธรรมอยู่แต่ไม่น่าสงสารตรงที่ว่าทำไมไม่มีจิตใจเห็นแก่ผู้อื่นเขามั่งเขาเดือดร้อนกันมากนะถ้าคุณเองเนี่ยคุณมี มีหลายอย่างที่คุณทําคุณช่วยแล้วสังคมจะดีขึ้นสิ่งที่มันกําลังเป็นอะไรที่มันเป็นอํานาจที่ข่มสังคมที่มันไม่ดีไม่งามอยู่ขณะนี้เนี่ยมันจะสลายไปได้นี่มันสลายไปไม่ได้เพราะอัตราด้วยหรือเปล่าอัตราตัวนี้แหละตัวนี้แหละ<พ>ไป<พ>ตัวไปอ่านให้ดีเธอเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าใครยิ่งเป็นศาสผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธและต้องศึกษาให้ดีๆครับมีมีวลีที่พระครูพูดมาก่อนหน้านี้นานแล้วก็เป็นเพราะอัตราหรือเปล่าทาให้นิ่งเสียประเทศไทยใช่แต่แน่นอนอัอาตราที่ว่านิ่งเสียประเทศไทยนี่หลายคนเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าจะออกมาแล้วกลัวสเสียลาภเสียยศเสียเวลาเสียอะไรก็แล้วแต่ช่างมัน คนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นคนที่ยึดอัตตาเองจัดโดยไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่เห็นความเดือดร้อนของส่วนรวมอัตมาว่าความจริงโดยส่วนรวมคนความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยหกส6บห้าหกกหกล้านคนขณะนี้ค่าเฉลี่ยของความเดือดร้อนนี้โอ้โหมากเท่าไหร่ ความเดือดร้อขนขณะนี้แต่เขาจำนวนเขาพูดไม่ออกพูดไปก็สองไผเบีย้ยแต่คุณจะนิ่งเสียนะเสียประเทศไทยนะไม่ใช่เสียตำลึงทองน ะ, ะเพราะฉะนั้นนะพูดเถอะมันยังไงมันก็เสียแค่สองไผเบีย้ย แต่ถ้านิ่งเสียเนี่ยประเทศไทยนะชิหายจ้ะอ่าจริงๆพูดความจริงออกมาไม่ให้พูดอะไรอื่นเลยแต่คุณไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะเสียเสียลาบเสียยศเสียสันเสริญเสียอัตตาสรุปลงไปตรงนั้น อาตมาบอกคงงๆว่าอาตมานี่คนด่าด่าได้ด่าไปคุณรู้ไหมด่าแล้วมันไม่ถูกตัวอาตมาเลยว่าจะเป็นคนหายตัวเป็นคนตัวหายเป็นคนไม่มีตัวไม่มีอั ต, ตาเป็น invisible man ข้อพัยนั้นมันเหมือนพูดอวดตัวอวดตนเอาเรื่องจริงอาตมาไม่ปีเพราะงั้นคนด่าอาตมาว่าอาตมาอาตมาก็ฟังอาตมาไม่มีตัวแต่อาตมามีปัญญาใครฟังใครพูดมาใครด่ามาอาตมาก็ฟังแล้วก็มาไต่จรรย์พิจารณามเออถูกก็เขาด่าเราถูกแค้เราไม่ดีแล้วก็แก้ไขขอบคุณเขาถ้าเขาด่ามามันไม่ถูกตัวไม่ให้ คติตรวจตัวเองว่าเออมันไม่ถูกนี่อย่างนัอย่างไงก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกก็เขาเองเขาเขาเข้าใจผิดเนียก็ความไม่ถูกต้องมันอยู่ที่เขาเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่มีข้อมูลพออ่าการมาไม่ได้ว่าเขาโง่นะเขาไม่รู้อเขาไม่รู้เขาไม่มีข้อมูลพอเขาก็เข้าใจผิดเน่ยมันก็เป็นเรื่องจริงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเราตรวจตัวเองเรามันไม่ถูกตัวเราไม่ใช่เป็นที่เขาว่า เช่นเขายกตัวอย่างว่าอตาตมาเป็นสัตว์นรกอตาตมาก็ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วคําว่าสัตว์นรกในอนตาตมารู้ต้องรู้ก่อนอื่นเลยสัตว์นรกเนี่ยแม้จะเป็นเทวดาปลอมเรียกว่าสมุติเทพอตาตมาก็รู้รู้ความเป็นสมุติเทพคืออย่างไรแล้วอาตมาก็ไม่เอาแล้วอตาตมามาเอาเทพอย่างโลกุตระดีกว่าเรียกว่าอุปัตติเทพ แล้วก็พยายามให้เกิดเทพใหม่เทพโลกโลกุตระนี่เป็นเทพโลกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปารโลกปารโลโกของพระพุทธเจ้าส่วนอยังโลโกที่เป็นโลกของโลกียะนั้นอาตมาก็รู้ว่าเราอยู่ในฐานะโลกียะอย่างไรครับแล้วเราก็ล้างความเป็นโลกียะออกจากจิตใจออกจากความเป็นของเราเราไม่เป็นแล้วแบบโลกียะ เป็นผู้ที่ตกเป็นทาตุลาบทาตุยศธาตสชัเสริญหรือาธาตุกามลมกามคุณทาตของอัตตาตัวตนเราไม่เป็นหมดความเป็นทาตุปลดแอกกันนี้จบให้ได้จบได้ก็เป็นอรหัตตผลและเป็นอรหรันเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าเราเองเราล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากเราตัวเองได้เราก็ไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่มีตัวตน เราไม่ได้ไปปลดคนอื่นเราไม่ได้ไปหลงผิดให้จริงเถอะคุณจะเข้าใจเพราะธรรมะของพระเจ้านะั้พิศูจน์ได้ความจริงพิสูจน์ได้นะสันทิตโกเอาตัวคุณนะมาพิสูจน์เลยสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสโกมาเลยการลนี้ก็พิสูจน์ได้ต่มาขอยืนยนันว่าธรรมะพรเจ้ายังมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นอรหันได้ ปฏิบัติให้มีโลกยังไม่ว่างจากพระอรหันผู้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอราหารัรนต์เรื่องจริงนะเพราะงั้นเมื่อผู้ใดมาเรียนรู้อัตตาแล้วก็มาล้างอัตตาได้จริงก็ไม่กลัวอย่างอัตมาไม่กลัวคนจะบอกว่าเขาจะว่าอัตมาอย่างโน้นอย่างนี้อัตมาก็เอาสิ่งที่ควรตามมหาประเทศตามสับริษัมเจ็ประการที่อัตมาใช้รประมาณอยู่แล้วก็ทํางานให้กับสังคมอยู่ เพราะงั้นอาตมาจึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ใช่คนหน้าด้านแต่ว่าคนมีปัญญาอาตมาไม่มีตัวตนแต่อาตมามีปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลาใ น, นสิ่งนี้ต้องทาให้จริงถ้ามันจะได้จริงอย่างนั้ น, นมนรณาสราที่อาตมาที่อยากจะสรุปลงตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีเนี่ยก็คือแต่จะเหลือไว้คุณสรุปสามนาทีแบ่งกันนะ เหลืออีกสิบสิบนาทีพอดีก็บแบ่งกันอัตมาเอาเจ็ดกันอะไรกันคุณเอาสามยุติธรรมครั บ, รบอ่ยุติธรรมดีคือเรื่องของผู้ที่ยังยึดอัตตาโดยไม่ไ ม, ไม่ล้างอัตตานี่แหละหอตอนนี้เนี่ยสําคัญเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรายังไม่ได้ล้างอัตตาก็จริงแน่นอนว่าอัตตามันจะล้างไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่เราสามารถที่จะเก็บอัตตาสงวนอัตตาของเรา อย่าเอาอัตรามาใช้ได้ไหมตอนนี้เราต้องการ ก, า, การร่วมมือร่วมใจครับร่วมมือร่วมใจร่วมแรงเข้ามาทำงานถ้ามาทำงานโดยที่เรียกว่าเรามารวมกันเสียอะไรอื่นที่มันถือดีถือตั ว, ถ, ตวถือตนถืออะไรอยู่เนี่ยพักไว้ก่อนได้ไหมครับทำตามเป้าหมายรเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรกัน อาตมาบอกแล้วว่าเรามีเป้าหมายอาตมาว่าผู้รู้เข้าใจชัดแล้วว่าเจตนาอะไรเจตนาที่จะขจัดอะไรครับอาตมาว่าแหมอินทร์จุดพอยตตัวนี้นี่รู้กันดีแล้วรู้กันดีแล้วชัดแล้วจริงไหมเป้าสําคัญตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรคืออะไรนี่ชัดแล้วมาร่วมมือกันก่อน อัตาตัวเองเอาเถอะใครจะบอกว่าเราใหญ่ไม่ใหญ่เราเล็กเราน้อยเราไม่รู้เราไม่สำคัญอะไรมาเถอะคุณสาคัญเท่าไหร่ดิงเรายิ่งอยากได้ครับคุณสำคัญคุณยิ่งใหญ่คุณรู้คุณเก่งคุณวิเศษยังไงยิ่งอยากได้ครับแต่ขอให้ลดอัดตราตัวเองเข้ามารวมตัวกันแล้วมาร่วมกันเพื่อที่จะทำงานที่มีเป้าหมายสำคัญนั้นนี้ให้สำเร็จรงรองไปได้ก่อนได้ไหม ชัดนะครับ อ, อันนี้แหละอาตมาว่านะเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ฟังแล้วแล้วก็เอาไปจ่ายองนูซิว่าจะทำอย่างไรเราจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานใหญ่เพื่อที่จะทางานใหญ่เพราะสังคมประเทศไทยมันทุกหนักแล้วตอนนี้ อาตมาที่มาทำงานอันนี้ก็เพราะว่าเห็นทุกหนักของประชาชนขออภัยนะท่าอาตมาจะพูดว่าจริงๆแล้วนะถ้าอาตมาไม่มีจิตตัวที่เห็นทุกใหญ่ของประชาชนที่มีเจตนารมย์อยากมาช่วยเนี่ยอาตมาจะเป็นนั่งปัดตูดอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมาไม่เดือดร้อนหรอกพูดมาซะสำนวนอย่างนี้อะ่ะใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเ่พูดแล้วอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมอาตมาไม่เดือดร้อนนะเพรา อ, อะไรหนึ่งอาตมาไม่เป็นหนี้สองอาตมาพึ่งตัวเองรอดสามตัาอาตมาก็ทําเกินกินเกินใช้ของอาตมาอยู่แล้วเพราะงั้นใครอยู่กับอาตมาก็ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันได้อยู่แล้วมีทําอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอาตมามีสิ่งเหลืออาตมาก็สังครองอาตมาก็ออกมาทํางานในนี้เพื่อ เพื่อผู้ที่ควรจะต้องได้บดทุกข์กันบ้างโดยจะพ้อยเห็นทุกข์ของสังคมประเทศใครไม่เห็นก็ช่างใครเถอะอัจมาเห็นนะว่ามันทุกข์มากแล้วตอนนี้สังคมประเทศชาตินะขออภัยถ้าจะพูดอัจมาไม่ได้ทุกข์นะ ถ้าอาตมาจะปีกแย่ไปส่วนตัวของอาตมาเนี่ยอาตมาไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ได้มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มไหนอาตมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งกับอันนี้เลยเนี่ยอาตมาไม่ทุกนะคุณเชื่อไหมเออไม่เดือร้อนจริงๆแต่อาตมามาทำนี่เพราะเห็นทุกข์ของประชาชนเห็นทุกข์ของสังคมเห็นทุกข์ของประเทศชาติเห็นทุกข์ของคนไทยอะอาตมาผิดหรือ นะใครจะด่าว่าใครจะย่มยีว่าอาตมาที่เป็นพระอะไรว่าไม่สงบไม่อยู่กระร่องกระรอยไม่อยู่กับที่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจอาตมาว่าอาตมาทำสมควรแล้วยิ่งมีคนไม่เข้าใจยิ่งมีคนไม่ทำมันยิ่งมีความจำเป็นที่อาตมาต้องทาทำไมจะต้องเป็นเราขอใช้ให้ชัดหม่ฮะ ขอพูดอีกทีนึงทำไมวะจะต้องเป็นกูอะเอาเรื่องจริงเพราะงั้นอาตมาเองอาตมามาทำอยู่นี่ด้วยความมั่นใจด้วยความจริงใจอาตมาไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะอาตมาไม่ได้เดือดร้อนอะไรและอาตมาก็เห็นว่ามันความเดือดร้อนของมนุษยชาติของประเทศของสังคม คนไทยมันถูกปู้ยี่ปู้ยำกันร้ายแรงมากแล้วแล้วเขาก็ไม่หยุดไม่หย่อนที่จะปู้ยี่ปู้ยำเดินเครื่องอยู่อย่างงั้นแหละขออภัยที่หน้าด้านหน้าทนกันเลือเกินจริงๆเลยเ น, นี่ยอาตมาพูดอย่างสุภาพนะแต่อาตมาใช้ศัพท์ภาษาไทยชี้ความจริงออกมาคำว่าหน้าด้านหน้าทนนี่คือความจริงชนิดหนึ่งที่อาตมาพูดอาตมาไม่ได้พูดยาปัตตาบาไม่ได้ด่าใคร แต่ตมาพูดความจริงของสังคมประเทศไทยที่มันกําลังเป็นอยู่เกิดอยู่ใครว่าไม่จริงยกมือจริงไหมใครว่าจริงยกมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นตะมาจึงบอกว่าออกมาร่วมมือกันเถิดอัตราของใครมีเก็บใส่เซฟเทบราคาแพงเท่าไรคุณเอาอัตราใส่เซฟไว้ และออกมามารวมกันทำงานช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ ก่อนวีดแ้วเหรอจะพึ่งเปล่า <c oughs> เอาอจะมาเหลือสามนาทีตามที่ตกลงถ้ให้คุณกฤษดาครับสะดครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทังบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> วันนี้คงเข้าใจในประเด็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมตั้งประเด็นตั้งแต่แรกในการจัดรายการเรียนอิสระตามสํานึกว่าถอดรหัสธรรมการชุมนุมเพื่อการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นคําตอบที่ชัดและแจ่มแจ้งที่สุด ก็คงได้รับยินได้รับได้ยินนะครับรับฟังกันอย่างชัดเจนจากพระครูสมณโพธิลักษ์แล้วนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนั้นการออกมาของชาวอาโศกนั้นไม่ใช่ออกมาเพื่อเพื่ อ, อตนเองเพื่อลาบยศเสรเสริญแต่การออกมานั้นออกมาโดยธรรมโดยการใช้หลักธรรมที่เรียกมหาประเทศโดยการมีเป้าหมายของพมจันในการปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมเป็น กรรมมณิโยเป็นกรรมมันตะเป็นการงานที่สมควรที่ต้องทําเพราะขณะ น, นี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่พระครูใช้คําว่าทุกข์ของสังคมประเทศนั้นมากพอแล้วเพราะฉะนั้นจึงทําให้กองทัพธรรมจึงต้องออกมาพวกครูจึงต้องออกมาทั้งทั้งที่อยู่ลําพังก็ได้เพราะว่าท่านท่านคงทราบดีแล้วว่าชาวอโศกทั้งหลายนั้นนะครับอยู่ในสภาพของ คนจนแต่รวยที่สุดนะครับเหลือกินเหลือใช้เหลือทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านนะครับอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะสรุปนั่นคือพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมแห่งนี้ตะโกนเสียงดังกันพร้อมกันบอกคําว่าออกมาออกมาออกมาครับ ครับก็คงได้ยินกันแล้วนะครับท่านใดที่คิดว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าพูดไปสองไผเบี้ยนิ่งเสียประเทศไทยออกมากันได้แล้วครับยินดีต้อนรับที่สวนลุมทุกท่านพี่น้องทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับใช่ไหมครับครับเราคงหมดเวลาพอดีนะครับรายการเรียนอิสระตามสำนึกนั้นปกติเป็นรายการประจำของทาง FMTV นะครับเพราะฉะนั้นรายการเรียนอิสระตามสํานึกก็จะมาเป็นประจําในช่วงเวลาประมาณหลังเลารพชาตินะครับก็ครูท่านก็จะมาเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายทำในการประเด็นซักถามทำก็จะมีผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูนโอกาสนี้ยังสูงยิ่งนะครับและหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าของรายการเรียนอิสระตามสํานึกนะครับและพบกันครับจเจริญธรรมทุกท่านครับ